ตอนอุบายวิธีที่แตกต่างกันวันที่14กุมภาพันธ์2 5 5นการ้้าบการนัณ์การพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกัญญมิตรทุกท่านก็ทุกคืนวันอาทิตย์นั่งสบายสบายกันเนาะวันนี้เมื่อกี้พระครูจะมาดูปฏิทินเขาบอกว่าเป็นวาวันวาเลนไทย วาเลนไทน์สมัยก่อนนี้มันเป็นความรักของเซนวาเลนไทน์ ine, ซึ่งเขามีความรักความศรัทธานในพระเจ้าแต่ทุกวันนี้แปลเปลี่ยนไปเป็นรักแบบชูสาวเนาะก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปทุกศาสนาคาสอนทุกศาสนาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัย โลกมันเปลี่ยนถ้าเกิดเราไม่สำรวมระวังเราก็ถูกกืนโดยไม่รู้ตัวนะจริงๆแล้ววันวาเลนไทน์นี่ก็ทำได้ทุกๆวันนะเรารักใครเราเคารพใครเราก็แสดงคววารวะแสดงความเมตตากันก็าวาเลนไทน์แต่ตอนนี้ทุกอย่างถูกดึงเข้าไปในเรื่องของความสนุกสนานเพิดเพลิน เ, เกี่ยวกับเรื่องพวกส่วนมากถ้าไม่ระวังเกี่ยวกับเรื่องกา ม, มาคุณทั้งหน้านะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปในทางวัตถุนิยมก็เมื่อคืนนี้เราได้ฉายภาพยนตร์ซีรีส์พระพุทธเจ้าดูเบื้องหลังนะดูเบื้องหลังแค่เรื่องภาคเป็นภาษาไทย แล้วก็ร้องเพลงพระพุทธเจ้าเนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ละเห็นไนักภาคทุกคนเนี่ยอินอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำเพราะพลังศรัทธาแล้วก็เด็กผู้หญิงที่ร้องเพลงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่นักร้องอาชีพเป็นนิสิตอยู่ทุกอย่างทำออกมาได้สมบูรณ์หมดมันไม่ใช่ร้องเพลงทั่วๆวไปนะมันเป็นพลังศรัทธา อันนี้แค่เราดูเมื่อคืนนะอันนี้เบื้องหลังที่คนไทยเอามาแล้วก็มาเติมแต่งภาคเป็นไทยแล้วก็ลงเพลงแค่นั่นเองส่วนถอยไปดูคนที่เขาลงทุนสร้างเรื่องนี้เป็นพันพันล้านแล้วก็เป็นด็อกเตอร์ด้วยถ้าไม่ใช่พลังศรัทธานี่ไม่มีใครกล้าทําแล้วก็ตัวแสดงทุกตัวแสดงนะ พวกพวกเราดูเรื่องนี้มาเป็นปีนะเนาะดูทุกวันเสาร์เนะเราก็ได้เพิดเพลินมีพลังศรัทธาขึ้นแต่ถ้าเราไม่ไปดูเบื้องหลังแล้วเราคิดว่าทำง่ายง่ายไม่ง่ายต้องเริ่มจากพลังศรัทธาก็ซีรีส์นี้ออกมาพ่อครูอนุโมทนาสาธุพ่อครูพูดหลายปีก่อนว่ า, าศาสนาไม่ใช่เป็นเพียงคำสอน แต่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ส่วนในที่ตัวเป็นตั ว, ตวคำสอนนั้นน่าจะพัฒนาเป็นสิ่งที่ทันสมัยทันยุคทันสมัยนะซีรีส์เรื่องนี้ก็ออกมาตอบโจทย์ใช่ไหมออกมาเรื่องเดียวไปทั่วโลกนะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อะไรได้พลังศรัทธาคนที่ไม่รู้เรื่องศาสนาก็ได้เข้าใจ นะเพิ่มแรงศรัทธาขึ้นได้ปัญญาระดับหนึ่งระดับไหนระดับสุตมยปัญญาแต่ถ้าเราหยุดอยู่แค่นี้มันมีศรัทธาแล้วเราไม่พัฒนาไปสู่วิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจไม่เข้าจิตเหมือนสมองรู้แต่จิตไม่รู้นะก็ศรัทธาพระพุทธเจ้ามากขึ้นโดยที่ไม่เคยศรัทธาแต่ถ้าจบที่แค่ศรัทธานั้นแล้วเนี่ย มันก็เข้าใจไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้ถ้ามันไม่เกิดปัญญาแล้วมันก็วางความยึดมั่นถือมั่นวางกระแสกรรมมันไม่ลงนะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเครื่องช่วยเป็นเครื่องกระตุน้นเหมือนคนไทยเราหรือคนหลายชาติในเอเชียเนี่ยที่นับถือพุทธเนี่ยเดินทางไปอินเดียนะไปกราบไหว้ศรีสังเวศศีนะีสังเวชเนี่ยนะ ประสูติตสัลูปรินิพานและปฐมนิเทศนาเนี่ยนะก็เหมือนไปปลุกสำนึกไปสร้างศรัทธาไปปลุกกระแสพุทธประวัติเพราะครูก็เคยไปเมื่อห้าปีก่อนนะก็ไปนอนวัดไทยวัดเกาหลีวัดญี่ปุ่นอะไรไปเรื่อยๆก็เป้าหมายก็คือว่าก็คือไปดู ศา ส, สนาสถานแล้วก็ปลุกศรัทธาขึ้นมาหน่อยหนึ่งวัดหลายแห่งกลายเป็นที่พักเหมือนเป็นรีสอร์ทพ่ะคุณเจ้าก็ส่วนมากก็ไปเรียนต่อที่โน่นแล้วก็ใช้เวลาว่างก็มาเป็นมักุเทศนะก็ได้ระดับหนึ่งเนาะแต่การปฏิบัติ จริงจังเนี่ยไม่ค่อยเห็นยิ่งยุคนี้เนี่ยกระแสการมาคุณมันแรงขึ้นสิ่งเล้าใจมันมากขึ้นวัตถุนิยมมากขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มุ่งมั่นไม่ทวนกระแสนี่นะทุกคนถูกกลืนหมดนะก็ช่วงหลังนี้เห็นจานวนคนมากคือชีวิตที่เราดารงอยู่มันไม่ตอบโจทย์ทุกคนก็วิ่งแสวงหาอยู่ แต่วิ่งแสวงหาแล้วก็ไปพบเจ อ, อประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาแล้วก็ปฏิบัติจริงๆ จ, จังๆก็น้อยมากกําลังที่เราดําเนินจันทร์ลงศา ส, สนาโดยเข้าวัดวันสําคัญทางศาสนาทําบุญบ้างอะไรก็ได้ระดับหนึ่งแต่สู้กระแสข้างนอกไม่ไ ด, กไได้กระแสโลกไม่ได้แต่าตานที่พระครูสัมผัสนะ ก็อาทิตย์ก่อนก็ได้มีโอกาสไปอีกรอบหนึ่งนะแต่ไปอีกซีกหนึ่งนะไม่ใช่ซีกสัไอีสังเวตรงนั้นนะไปอีกซีกหนึ่งมันแรกๆก็ไปลงเมืองหลวงของเขานิวเดลีที่นั่นาศาสนาฮินดูเขาสร้างวัดเรียกว่า อาเราธรรมหรือคนไทยเรียกว่าอักษรธรรมเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปชมยิ่งใหญ่มากในแง่โครงสร้างแล้วก็ใช้หินอ่อนหินแก น, นีกอะไรหมดสลักแกะสลักนะถ้าเอาขึ้นมรดกโลกเนี่ยมันติดอย่างนด่งว่าขึ้นเป็นของใหม่ นะคือถึงขั้นเป็นมรดกโลกได้สบายถ้าอีกเป็นร้อยเป็น2 0 0ร0 0ปีหรือพันปีนะก็เป็นแต่ตอนนี้พูดถึงว่าในแง่ปฏิมากรรมที่เขาสร้างนั้นเป็นได้เลยเละเอียดอ่อนนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พระครูมีโอกาสได้ไปสัมผัสทางศาสนาฮินดูอย่างเจาะลึกหน่อยหนึ่งเจดีย์ใหญ่ของเขานั้นนะ่ะมีเทพเยอะมาก หนึ่งในเทพองค์หนึ่งนั้นก็คือพระพุทธเจ้าเราเขาถือว่าพระพุทธเจ้านี่เนี่ยเป็นอวตารของพระศิวะและฮินดูเนี่ยเขานับถือหลายๆเทพแต่ละบ้านนี่นับถือเทพไม่เหมือนกันแต่เขายอมรับในความแตกต่างผู้เจ้าก็เป็นเทพองค์หนึ่งของเขาอันนี้คือความคิดของเขา แล้วก็ไปอยู่ในกลางเจดีย์นั้นน่ะองค์ประธานที่เขาเคารพตนนี้เนี่ยคือพระอาหารหันต์ของเขาผ่านมาประมาณ200กว่าปีถ้าถ้าในเมืองไทยเราเนี่ยก็หลวงปู่มั่นผ่านไปร้อยกว่าปีนะนับอายุท่านด้วยก็เกือบ200ปีเหมือนกันนะแล้วเข้าไปในนั้นน่ะ เ, เขาจะมีกิจกรรมเยอะมากเข้าไปห้องนี้ก็มีลงภาพยนตร์ ทะลุห้องนี้ก็เป็นโรงภาพยนตร์หรือมีการแสดงทุกอย่างนะคือเอาเรื่องพระอรหันต์นี่ก่อนเรียกว่าสวามีานาลายันนะเขาก็ฉายประวัติท่านมีดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่อายุเจ็ขวบหนีออกจากบ้านตรงกลางดึกตอนอายุสบิบเ ก็มีเขาไม่ได้ใส่กางเกงหรอกมันเหมือนมีผ้าคุมข้างล่างเนี่ยแล้วก็ถือไม้สั้นๆขนาดนี้เป็นเหมือนตัวเทียน น, นะเดินทางโดยโดยโ ด, ดลงไปแม่น้ำเชี่ยวมากให้น้ำพัดไปเดินทางแบบนั้นนะไปถึงตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นจากเหนือของอินเดียนี่ลงมาล่องใต้มาไปถึงตะวัน ตกอะไรเนี่ยคือล่อปินเดียนะเขาไม่รู้เรื่องศาสนานะมันเป็นของเดิมทีนี้เดินทางไปวัดไหนไปอะไรอะก็เข้าไปเดินทางสี่ปีก่อนสปีวันนั้นสิบเอขวบก็สิบห้าขวบก็เริ่มเริ่มแสดงธรรมนะไปที่วัดไหนไปตรงไหนไปเมืองไหนเนี่ยพระราชาอะไร มาเชิญให้อยู่ตรงนั้นอะไรเนี่ยไม่อยู่นะแสดงธรรมแล้วก็ไปไปไปไปอันนี้ประวัติข้าวๆที่พูดเรื่องนี้ให้ฟังว่าคำว่านิพานเนี่ยมันเป็นสากลมันไม่ใช่ของศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่ถ้าในทางพุทธศาสน า, าเราเนี่ยไม่ใช่เจ้าชายศิทรัตะองเดียวนะเจ้าชายศรีรัตเนี่ยถ้าบันทึก โดยสายพุทธเราเนี่ยเป็นองค์ที่28ก่อนหน้านี้อีก27พระองค์จะเป็นพระทีปังกรมหมากัสปะและอีกห ล, หลายรูปองค์เนี่ยก็เป็นพระอรหันต์ซึ่งยังไม่มีศาสนาพุทธเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีบอกว่าต้องฟังจากคำสอนของพพุทธเจ้า พระพุทธองค์เองเนี่ยเจ้าชายยุทธาเองก็ไม่มีไม่มีพระไระตจบิดกการไม่ได้ฟังคําสอนจากใครมันเกิดจากจิตของพระองค์เองมันพิสูจน์แล้วว่าเป็นสากลแต่ช่วงล่างหลังเราพยายามแต่ละศาสนาแต่ละที่ก็พยายามจะสร้างความสําคัญเหมือนเราขายขายขายของนั่นแหละแเราพยายามโฆษณาชวนเชื่อให้สินค้าเรามันมีมันมีความสําคัญถ้ายุคนี้สอนแบบนี้อยู่คนรุ่นต่อไปเขาจะไม่เอามันเหมือนสยศาสตร์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 นะจิตแต่ละดวงนี่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้มันเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาหรือสถานที่ถ้าเราดูผู้ที่เจ้าซีรีส์นี้แล้วเนี่ยดูตั้งแต่ต้นจนจบนะพระองค์ไม่เคยสอนให้เราเป็นหลงมงมงายกับเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารแต่พระองค์ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันมันมันมันไม่มีนะแต่มันไม่ใช่ทางพ้นทุกแต่ยุคหลังเนี่ยคนในาศาสนาเราเนี่ยไม่ระวังตัวนะเนื่องจากว่า บางทีไม่มีจุดขายนะไม่สามารถแสดงทำให้เขาเกิดปัญญาได้นะก็บางทีก็เอาคําพูดพระพุทธเจ้ามาเป็นสินค้าแล้วก็พูดหนักมากว่าถ้าถ้าใครไม่ได้ยินคํพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยตกนรกแรงถึงขนาดนั้นเพื่ออะไรเพื่อสร้างความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองทําอันนี้ไม่รู้ใครตกนรกกันแน่นะเนื่องจากทุนนิยมแข่งขันเสรีเนี่ย ถ้าไม่ระวังเนี่ยเราจะถูกความคิดแบบนี้มันแทรกเข้าไปครอบงําชีวิตเราเข้าไปในสายเลือดนะทำอะไรแฝงด้วยลาบยศสนรเสรนนะทุกคนสายพูธเราทุกคนก็อ้างผู้ดีเจ้าตลอดนะไม่สามารถพูดปัญญาที่เกิดขึ้นกับตัวเองออกมาเลยผู้เจ้าว่าอย่างนั้นผู้เจ้าว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้แล้วก็เอามาทะเลาะกันเอาภาษามาทะเลาะกันว่าเถอว่าแปลว่าอะไร ก็ครูต้องใช้คาว่าหน้าเสียดายเราเกิดมาเจอพุทธศาสนาเกิดอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนะโดยเฉพาะในยุคนี้มาเจอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงปัญญาก็เป็นพระองค์มีหมดเลยมีพระมหาการุณาธิคุณก็มีปัญญาที่คุณเหมือนพระพุทธเจ้าเราเจอล่มโพล่มไซ ส, สองต้นใหญ่ แต่เราไม่ค่อยฟังเราไปเชื่อทุนนิยมเขาออกรุ่นใหม่มาวิ่งใส่เลยนะเด็กๆที่อยู่ในศูนย์เหมือนกันพอมอบภาระหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณแล้วเนี่ยก็ทําไปเพราะคําสั่งเผอปุ๊บฉันจะไม่ทําเพราะมันไม่สนุกถ้าเราขาดเรื่องจิตวิญญาณแล้วเราจะถูกครอบงําด้วยความคิดแบบทุนนิยมแข่งขันเสรีเราจะแข็งกระด้าง เราเรียนรู้วิชาการเพื่อจะเอาชนะคนอื่นนะมนุษย์เราละเลยสิ่งนี้วิทยาศาสตร์ก็ละเลยสิ่งนี้นะไม่ใช่พอกูพูดนะไอสไตน์พูดมาตั้งนานแล้วว่าถ้าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้คําว่าขาดาศาสนาพอกูไม่อยากพูดว่าขาดาศาสนาว่าขาดจิตวิญญาณเนี่ยเหมือนคนแขนขาดขาขาดมันไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าจิตวิญญาณเนี่ยขาดวิทยาศาสตร์เนี่ยเหมือนคนตาบอดจะนับถือแบบหลงงมงายเขาว่ามันดีก็ดีหมดแต่วิ่งไปตามเขานะไม่มีจุดยืนของตัวเองไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคนทุกวันนี้อ่อนแอมากนะแต่หลังจากไปอินเดียเที่ยวนี้แหละพ่อครูก็พาแกนนำที่ต้องขับเคลื่อนสิ่งนี้ที่อยู่กรุงเทพ เราเปิดศูนย์กรุงเทพบางคนไม่อยากไปไม่ไปไม่อยากไปพวกว่ต้องไปไปและหลายคนได้ไปสัมผัสเรื่องสกลธรรมขึ้นตรงนี้พระคูรับได้เมื่อห้าปีก่อนถ้าคนอยู่เก่าเคยจำได้พวกคูเคยพูดเรื่องสกลธรรมก็เห็นนิมิตเป็นมหาเจดีสกลธรรมก็เขียนเข่งเขีย น, ยนปุ๊บ สุดท้ายจิตพ่อครูก็เพ่งดูว่าเอะจาเป็นต้องสร้างวัตถุเหรออยู่ในปา่าแจกงบประมาณที่ไหนเป็นหลายร้อยล้านเป็นพันล้านมาสร้างพ่อครูก็สร้างด้วยตัวพว่อครูเองเอาไม้อัดเอาไม้ไผ่มาเลื่อยมาติดสกลธรรมแล้วก็เสร็จลวคำตอบคือต้องสร้างคนถึงเราจะสร้างวัตถุเหล่านั้นกรบอกว่าเออในสกนลธรรมนะต้อนรับทุกๆศาสนาเนี่ย นั่นคือเราพูดแต่เขาก็ไม่มาไม่มีเชื่อใครเชื่อใครนะก็สิ่งนี้ถามว่าพระคูไปอินเดียทำไมครั้งแรกก็ไม่รู้แต่ไปแล้วมันจะรู้ว่าไปทำไมกลับมาก็รู้ว่าไปทำไมเที่ยนนี้เหมือนกันหลังจากเราไปวัดเนี่ยอักษรธรรมตรงนี้แล้วเนี่ยนะ เขามีนั่งเรือเขาคล้าเขาไปในอุโมงนะไปเขาสร้างอุโมงเนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมเก่าแก่ของประเทศอินเดียเขาเนี่ยหลายๆศาสตร์ของเขาเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วจะเป็นแพทย์ทางเลือกอะไรเยอะแยะนะศาสนาทุกศาสนาเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆเลยนะต้องใช้คำว่าสุดยอดมีหมด มีหลายๆศาสน า, าซึ่งเขาเป็นเมืองแม่ของเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็ศาสตร์ต่างๆเพราะครูดูไม่ทันเพราะมันเยอะมากเขานั่งเรือไปเนาะมีศาสตร์หนึ่งเขาบอกว่าเกิดขึ้นก่อนดาวินเนี่ยพันปีนักวิยทยาศาสตร์ชื่อดาวินค่อยค้นพบเขาตัวนี้เขาปลุกกระแสให้คนของเขาเนี่ยมีความภาคภูมิใจในความเป็นอินเดีย แล้วตกค่ำกลางคืนเนี่ยทุกคนก็ไปรวมกันเป็นสระน้ำใหญ่มากใหญ่กว่าศาลานี้เยอะเขาเล่นแสงสีเสียงเอาเด็กสี่คนตัวเล็กๆมาเต้นมาลํานะอินเดียหนังอินเดียลามหมดละเต้นหมดละเนี่ยเขาฝึกจิตโดยการเต้นนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวมาแสดงเรื่องธาตุสีดินน้ำลมไฟ เขาก็มีละครเขานะแสดงละครโดยโดยโดยแสงสีเสียงแล้วก็เด็กมาวิ่งแล้วทีนี้เขาก็ฉายภาพไปเนี่ยโอเคมีเทพเทพแห่งไฟถ้าตัวเรามีดินน้ำหลมไฟเนี่ยนะถ้ามันไม่สมดุลเมื่อไรเนี่ยมันจะแปรปวนถ้าธาตุไฟเราเยอะเกินไปเราจะตัวร้อนเป็นไข้อันนี้เทพแห่งไฟเนี่ยเขาเขากิ้ว เขาก็เผาผ่านหมดเลยนะใช้แสงสีเสียงนี่เผาหมดเลยแล้วก็เทพแห่งน้ำเทพเหมือนกันแต่ละครอบครัวนี่เอาลูกเด็กนะลูกหลานตัวลเล็กจูงเงินเข้าวัดเพราะยุคนี้คนไม่เข้าวัดแล้วมันข้ามคลื้อไปสอนเหมือนศยศาสตร์ ต้องไปนั่งฟังเขาสั่งให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาแต่เขาสร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคนเรียงแถวกันเข้าแล้วเขาไม่เก็บแพงเขาไม่เก็บแพงคนต่างชาติคนดีแล้วไม่เก็บแพงนี่เจตนาเขาไม่ใช่หาเงินเขาต้องการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมนะปัจญญาเขาดีมากนะ เด็กมันก็ซึมซับเรื่องคุณธรรมนะเรื่องกระแสกรรมเรื่องดินน้ำลมไฟเขาสนุกสนานแต่เขาได้เต็มๆ เ, เพราะครูบอกแล้วศาสนาเนี่ยนะต้องทันสมัยส่วนหลักธรรมเนี่ยของศาสดาไหนก็ช่างเนี่ยมันไม่หายไปไหนหรอกนะศาสดาหลายๆศาสาดาเนี่ยมรณะนไปแล้วเนี่ยหลักธรรม ก็คือธรรมชาติเขาก็ยังอยู่อีกกี่ล้านปีถ้าเราดวงตาเห็นธรรมเราเข้าถึงธรรมหลักธรรมนั้นก็ยังอยู่ส่วนเทคนิคอุบายวิธีเนี่ยที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่จะที่จะให้เขาเข้าถึงธรรมเนี่ยเป็นตัวดึงให้เขาอย่าไปติดวัตถุนิยมมากเนี่ยมันต้องทันสมัยนะพราครูก็ไปเห็นตรงนั้นก็อนุโมทนาสาธุเขานะของดีนั้นทุกอย่าง หนังสือนังหาที่เกี่ยวกับธรรมมากของเขาเนี่ยถูกมากนะเป้าหมายเขาคือไม่ใช่หาสตังค์นะแต่เก็บถูกๆ ก, ก็ช่างวันหนึ่งคนเนี่เป็นไม่รู้กี่พันกี่หมื่นคนเพราะว่าคนอินเดียก็พันสองร้อยกว่าล้านคนนะยิ่งให้ก็ยิ่งได้โอเคอันนี้ไปเรียนรู้เรื่องฮินดูเขาเปิดกว้าง เขามีเทพหลายองค์ใครนับถือยังไงก็นับไปไม่ต้องขัดแยง้งทีนี้ต่อไปก็ไปรีสอร์ทแห่งหนึ่งเป็นรีสอร์ทเรื่องฝึกพัฒนากายจิตนี่แหละมีหลายเทคนิคแต่เขาไม่มีศาสนาเขาจะเอาเทคนิค ก, ก, การฝึกจิตฝึกล่างกาย ทุกๆศาสนาในโลกนี้เนี่ยไม่รวมอยู่ตรงนั้นคนส่วนใหญ่ 90% กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นคนตะวันตกไปเพื่อเอาพลังเอาพลังงานเอาพลังชีวิตเพื่อให้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยมีความสุขสุขแบบคนตะวันตกการเข้าไปพักครั้งแรกปุ๊บนี่ต้องไปลงทะเบียนที่นั่นก็ให้เราไปเห็นว่าการฝึกจิตวิญญาณ น, นั้นน่ มันมีหลากหลายเราเกิดในเมืองไทยสังคมเล็กๆประเทศเล็ ก, เลกๆเนี่ยถูกตีกรอบว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้จริงๆแล้ว ม, ม, มีมีมากมายเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเจตนาที่เราฝึกปฏิบัติเพื่ออะไรเอาเป็นว่าลีสอนนั้นน่ยไม่มีแม้แต่หนึ่งคนคิดว่าจะไปนิพพานแต่คนทั่วโลกไปที่นูน่นเพราะคนส่วนใหญ่เขาต้องการให้ชีวิตเขาร่างกายจิตใจแข็งแรงอารมณ์ดี แล้วก็มีความสุขตามอัจรภาพถ้าใครต้องการแค่นั้นก็ไปที่นูน่นเก็บแพงมากคืนหนึ่งคิดเป็นเงินไทย4ี่พันบาทห้องพักเล็กกว่าโรงแรมบ้านเราแบบสามดาวไม่มีตู้เย็นไม่มีทัวรทัศน์เก็บแพงต้องซื้อเสื้อผ้าก็สองชุดชุดสีแดงกับสีขาวกลางวันกับกลางคืน แล้วก็ไม่ให้ปฏิบัติต้องเป็นสมาชิกต้องเสียค่าเงินเข้าปฏิบัติทุกวันอาหารน้ำจิ้มก็ต้องซื้อนะคนเราบางคนบน่นะอะไรก็แพงหมดหมดก็ดีแล้วไงเขาฝึกให้เราเนี่ยกินน้อยแล้วก็อยู่ง่ายแล้วก็จ่ายเงินเยอะๆจะได้บุญไงเราออกไปแล้วจะเห็นหลากหลายนะ ไม่มีของฟรีแต่พ่อคูก็ไปเห็นเขามีลานลานเทคอนกรีตเราธรรมดาเนี่ยแหละอยู่กลางแจ้งเอออันนี้ดีพ่อกูจะเอามาใช้นะก็สั่งทำเนี่ยพ่อกูตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วสันมูลพักก็คือสันมูลฟลอร์เขาบอกว่าลานกลางแจ้งคำว่ากลางแจ้งมัน มันติดอะ่ะคือคือคือมันยังไม่ใช่นั่นไงก็เลยตั้งเลยเนาะลานพระอาทิตย์พระจันทร์ก็หมายถึงว่าเราเห็นพระอาทิตย์พระจันทร์ะอยู่ที่ว่าเราจะจัดโปรแกรมว่าเวลาไหนไปที่ น, นู้นอันนั้นสำหรับคนที่เขายืนเต้นแบบต้องการยืนหมุนยือนอะไรคือยือนเอาเป็นว่าโปรแกรมนี้ก็เดี๋ยววันสงการนี้เราจะจัดแฟนซีปาร์ตี้ใช่ไหมเน็กเก็ตไมล์ Mind, คือเปลือยจิต ไม่ใช่เปือยกายนะนะเปือยจิตแล้วก็ชื่อเรียกว่าแฟนตาซียแดนซเป็นโปรแกรมแฟนตาซีดนซนะก็คือมั่วเต้นมั่วๆไม่มีจังหวะชัดเจนใครถนัดยังไงเอาเลยแต่ต้องชำนาญ น, นะตกลงไปหัวแตกนะพื้นไม่ใช่อย่างนี้นะอันนั้นสำหรับคน ที่นี้กำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะเอาช่วงบ่ายเนี่ยมันยาวเกินไปไหมที่เราเวียงสองชั่วโมงหรือใครจะเวียงจากบ่ายสามถึงบ่ายสี่ใครจะออกไปทันนก็ออกไปอันนี้เดี๋ยวค่อยดูหรือจะเอากลางคืนเนี่ยน า, นานาจิตตังเนี่ยก็ ก, ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะกูสั่งให้เร่งเสร็จก่อนสมการนี้อันนี้ก็เกิดขึ้นใหม่นะอะไรที่เป็นไอเดียที่เรามาเสริมได้ใ ห, ให้ให้มันหลากหลายเราก็เรา ก, เราก็ทำขึ้นมา นะแต่เป้าหมายเราคือพ้นทุกข์ไม่ใช่มาสนุกสนานกันนะก็ไปรีสอรนั้นสองคืนสามวันนะเราก็ไปดูหลากหลายแต่ว่าพ่อกูก็สรุปว่าคนมาที่นวนเพื่อมาเอาพลังแล้วก็อาจจะเพอไปสร้างกรำใหมนะ่ให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไปสร้างกรรำใหม่ ก็เป็นเรื่องสิทธิของแต่ละคนเป้าหมายคือไปเห็นว่าความหลากหลายของเทคนิคการฝึกจิตมันมากมายเหลือเกินพวกเรากบอยู่ในกระลานะยึดมั่นถือมันต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบอื่นไม่ได้ก็ทะลบ่ชแหวงกันฉันถูกเธอผิดนะนะหลายคนก็ไปโอเพ่นมาอยู่ที่นู่นทีนี้แหล่งที่สามที่แรกเป็นฮินดูใช่ไหมอันนี้ไม่มีศาสนา แต่เจ้าลัทธิเขาตายไปแล้วนะเขาศึกษาทุกศาสนาเขาก็ไม่ได้ตั้งลัทธิใหม่เพราะสิ่งที่ทําอยู่ตรงนั้นน่ยเทคนิคนั้นไม่ใช่ของเขาเลยเขาก็เอาทุกทุกศาสนามารวมกันนะเขาก็เก่งสามารถเอาคนรุ่นใหม่คนตะวันตกนี่ยมาเชื่อมโยงกับจิตวิ ญ, ญญาณได้อันนี้ต้องให้เครดิตเขาแต่ช่วงหลังบริหารแบบคนตะวันตกหมดนะ ก็คิดแบบตะวันตกทุกอย่างเป็นเงินหมดนะส่วนเราถ้าไม่อยากเสียเงินเราก็กินน้อยๆใช่ไหมขอน้ำจิ้มเนี่ยน้ำร้อนแก้วหนึ่งก็ต้องเสียเงินนะเราก็กินน้อยหน่อยหนึ่งแล้วก็ต้องเสียแพงๆค่าเช่าแต่ต้องอยู่แบบเรียบง่ายคือเตียงเตียงหนึ่งเนี่ยพราคูนอนห้องกับน้องขีนะให้น้องขีนอนเตียงพราคูนอนพื้นพราคูนอนพื้นอยู่แล้วมันแคบมาก เอาเป็นว่าส่วนเราเสียเงินมากแล้วเนี่ยถ้าคนรับเงินเราเนี่ยถ้าเขาไปสร้างบุญกุศลขึ้นนั่นเน่ยเขาก็ได้บุญด้วยแต่ถ้าเขาเอาไปทำไอ้เรื่องที่มันมันไม่ดีเขาก็เป็นบาปก็เรื่องของเขานะแต่เราไปดูอะไรที่มีประโยชน์ล้วก็เอามาปรับใช้อะไรที่เราไม่พร้อมเราก็ไม่ต้องเอามานะไม่ได้สรุปว่าดีช่วยอย่างไรไม่ิจตว่าเป้าหมายของการฝึกนั่นมันไม่เหมือนกัน ทีนี้อันสุดท้ายก็มาสายพุทธเราถ้ำเอลโดราไปเอลโดราก่อนอยู่ในเมืองนั้นแหละก็ห่างกันไม่มากนักเอโลโดร่าเนี่ยมีถ้ำเป็นหน้าผานะนะอาจารย์คนโบราณเนี่ยเขาเจาะหน้าผาก็าไปเป็นถ้ำถๆเป็นน้าถ้าของพุทธเราเนี่ยมีสิบสองถ้ำ แล้วก็ถ้ำถัดมาเนี่ยของฮินดูใหญ่มากนะเป็นอะไรใหญ่มากแล้วก็ของเขาอีกหลายหลายถ้ำและท้ายๆนี่ก็เป็นของาศาสนาเชนซึ่งเขาแก่ผ้าทีนี้ไม่มีใครรู้จริงไกก็ไม่รู้หลวงพี่ที่ไปเรียนที่น่นเขาก็มาเป็นไกให้หลอกเขาก็ไม่รู้อ้างครูบาอาจารย์บอกว่าสงสัยเขามาสร้างแข่ง คืนนั้นพ่อครูไปก่อนจะนอนก็นั่งกับมาฐานพ่อครูไม่ใช่คนโบราณเขาไม่มีความแข่งขันกับอย่างนี้นะเขาใจกว้างนะมันเป็นซุ้มจิตวิญญาณหมดแหละใครชอบแบบไหนก็ไปทําคนเราท่านนี้ใสแข่งขันทุกวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันไม่ไหม้เราก็ไปแข่งที่อื่นนะส่วนมากเอาความคิดการแข่งขันนี้เขาคิดว่าคนโบราณเขาทาอย่างนั้นไม่ใช่นะอันนี้ ดูด้วยกันเลยนะแล้วก็การแกะสลักอะไรนี่คือคือเขาใช้จิตวิญญาณเขากาทุ่มเทตลอดชีวิตแล้วก็หลายชั่วชีวิตบังเอิญไอ้ถ้ำเอลโล่าเนี่ยเกิดขึ้นทีหลังอีกวันหนึ่งเราก็ไปถ้ำอจันตาตรงนั้นพุทธหมดมี26ถม่ถ้ำนะมี26่กถ้ำก็ก่อน ก่อนที่จะตื่นเช้าคืนนั้นน่ตีสามพ่อครูก็มานั่งจิตบอกว่ารู้แล้วมาอินเดียทำไมตื่นเช้าก็เรียกไกลมาไปติดต่อให้พ่อครูสิขอถ้าใดถ้าหนึ่งที่คนไม่พุกพ่านเนี่ยพ่อครูจะขอไปสวดมนต์ที่นวนแล้วก็ขอประชุมที่นวนเป็นถ้ำที่ยีบย่บห้ายี่บหกนี่เป็นถ้ำใหญ่เงินยีบห้านี่เป็นถ้ำที่ทำยังไม่เสร็จ แต่ก็มีคนเฝ้าอยู่นะเราก็ได้ถ้านั้นถ้านั้นอายุ 2,000 ปีเราได้ประชุมในห้องประชุมอายุ 2,000 ปีสวดมนต์ไหว้ผ้าอยู่ตอนนั้นเราก็ประชุมกันเพราะครูประกาศตั้งชมรมที่ถ้ำอาจารตานะถ้ำนั้นอายุ 2,000 ปีและเป็นถ้าเดียวในนั้นซึ่งยังทําไม่เสร็จ เราประกาศตั้งชมรมเพื่อขับเคลื่อนสิ่งนั้นต่อแต่ยุคนี้ไม่ใช่ไปนั่งแกะสลักนะต้องกลับมาสร้างคนชมรมไลฟ์ฟิตเนสเกิดขึ้นที่ถ้ำอาจารตาแล้วก็ทางกรุงเทพเรากำลังดำเนินเรื่องนี้อยู่นะคนไปด้วยกันก็ภาวนาตัวทุกคนก่อตั้งชมรมที่โนน แล้วก็กลับมาขับเคลื่อนคุณเล็กพันนีพอลงสนามบินหนองงูเหา่าก้าวแรกลงจากเครื่องบินจิตเขาบอกว่าเรากลับมาเข็นกลงล้อของธรรมจักรมันเป็นอะไรที่เราคิดได้ไหมกล้าคิดไหมไม่กล้าคิดวางแผนไหมไม่กล้าวางแผนซึ่งมันคนเยอะมาก บังเอิญเราไปได้ถ้านั้นซึ่งครูบาจารย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แถวนั้นน่ะสร้างมาเจ็ดร้อปีใช้เวลาสร้างเจ็ดร้อยปีถ้าเฉลี่ยคนคนหนึ่งเจ็ดิปีก็สิบชั่วอายุคนแล้วก็ถ้าที่เราไปประชุมนั้นถ้านั้นนะ่ะยังไม่เสร็จแต่เป็นเป็นโครงสร้างแล้วละ่ะเป็นเสาแต่ยังไม่แกะสลักแล้วพื้นนี่ก็ยังยังไม่เรียบนะครูบาจารย์ยุคนั้นเนี่ยเขาใช้แค่คอน อเขาเรียกว่าไอ้เหล็กตอกค่อยๆแกะสลักสลักอเอาออกอย่างเดียวไม่มีเอากระสอบเอาปูนกระสอบหนึ่งอะไรเข้าไปเลยนะมีเอาออกอย่างเดียวนี่คือปัจจยาของพุทธเราคือลดละเลิกทำดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสยอยู่ตรงนั้นหมดพรอคูสัมผัสอารมณ์ได้ว่า ท่านต้องใช้บารมีทั้งสิบเลยเนี่ยทุ่มเทกับตรงนั้นจดจอ่อสมาธิอยู่การทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วตอนนี้คนทั้งโลกไปที่นุน่นเห็นไหมคนโบราณเขาสร้างอยู่ได้สองพันปียังไม่เป็นไรเลยคนทุกวันนี้สร้างแต่โรงแรมชั้นห้าดาวนะหาเงินหาเงินอยู่ได้ไม่กี่สิบปีก็พังละก็หลายปีก่อนพ่อครูเคยไป เขมรญาติธรรมขอร้องให้ไปนครอวัดนครอนทมตอนนั้นไปสายสศรีสเกตเนี่ยถนนนี่ไม่ใช่ถนนหรอกทางเกวียนก็ไม่ใช่มีแต่หินแบบเดินวิ่งเร็วที่สุด2ี่สกิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ไปที่น่นไกซึ่งเป็นคนไทยเขาก็บอกว่าผู้นำเขมียนสมัยโบราณเห็นแก่ตัวและในโซนสร้างนาควรวัดนครทมนี่ไม่มีหินประเภทนี้เขาไปขนมาจากที่อื่นเป็นก้อนๆแล้วก็เอาแพรลงมาแล้วก็เออเอาช้างอยู่อยู่สองข้างเนี่ยดึงเชือกมาแล้วก็เอาขึ้นไปบนเขานั้นได้ยังไงก็ไม่รู้ น, นี่คือคนโบราณ แล้วตรงนี้ก็มีทั้งพุทธแบบเทรวาสกับมหายานมีช่วงหนึ่งหายไปเป็นพวกพราหมณ์เป็นฮินดูตรงนี้มีหลายมีหลายศาสนาคือคนโบราณเนี่ยเขาเอาศรัทธาสร้างคนทุกวันนี้นี่มีความรู้มีเทคโนโลยีมีเงินแต่สร้างไม่ได้ แต่ไปดูวัดหินดูแล้วเนี่ยเขาสร้างได้เพราะเขาไม่ทิ้งศรัทธาใช่ไหมเพราะครูว่าถ้าโลกนี้เกิดอะไรขึ้นอินเดียอยู่ได้เขาไม่ทิ้งแก่นเขาไม่ทิ้งลากร่างเขาเมืองหลวงเขาเนี่สตีเขาเนี่ยังนุ่งสาลีเต็มบ้านเต็มเมือง ถ้าบ้านเราไปแต่งชุดไทยอยู่แถวสีลมนี่เขาบอกไอ้นี่จะไปแสดงหนังที่ไหนเราวิ่งตามวัตถุนิยมจนทิ้งรากเหง้าทั้งหมดเลยต้นไม้มันก็ลมง่ายมันไม่มีรากเหง้าล่ะนี่คือสังคมไทยนะส่วนขมรนตอนนั้นนะไ ก, ก่เขาบอกว่าเห็นแก่ตัวเพราะกูถามว่าแล้วเรามาที่นี่มาใหม่พาไปเที่ยววัดวัดแห่งหนึ่งเนี่ย ตู้กระจกใหญ่มากมีแต่หัวกระโหลกมีแต่กระดูกมนุษย์ the i l l i n g f i e l นะมันฆ่ากันเขมียนแดงเนีย่ยคนยุคนี้ทำได้อย่างแบบนี้ไงบอกเรามาเรามานะรามเาเพราะไอ้สิ่งนี้ใช่ไ้มอยู่เป็นพันปีเลยเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวเขาไม่ได้อยู่ด้วยเขามีศรัทธาว่าเขาสร้างเสร็จเขาจะได้อยู่ไปอยู่กับพระเจ้าอะไรเนี่ยนะ ใชมเขาสร้างให้พระเจ้าขเขาเขาจึงมีความทุ่มเทขนาดนั้นแล้วบัตรนี้เนี่ยเขมรฟื้นขึ้นเพราะสิ่งนี้คนทุกวันนี้มีเทคโนโลยีมีเงินมีความรู้แต่ไม่มีศรัทธาไม่มีพลังที่จะสร้างแต่คนโบราณเขามีศรัทธาก่อนไม่มีเครื่องมือเขาช่างฉันเอาค้อนค่อยๆสิวเจาะหน้าผาทั้งหน้าผาเนี่ยกลายเป็นถ้าใหญ่มากนะแต่ละถ้ำเนี่ยไอ้ที่ธ้ำอาจันตาเนี่ย เสาเส า, สาแต่ละต้นนี่แกะสลักสวยงามมากคือใช้ทั้งชีวิตจิตใจอยู่ในนั้นนั่นแหละเขาบําเพลิเพียนแบบนั้นคนยุคนี้นี่ความอดทนไม่มีคืออยากเอาง่ายๆทำไง่ายอยากเอาเยอะๆ ะ, ะอันนี้ก็พ่อครูเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์พ่อ ก, กูต้องเล่าพวกเราฟังเกิดอะไรขึ้นพ่อครูกําลังทําอะไรนะ แม้กระทั่งเปลี่ยนแม้กระทั่งชื่อกรุงเทพก็ส่งมาให้แก่พ่อคูดูหน่อยหนึ่งเขาก็ประชุมเมื่อวานนี้ก็ความคิดไม่เหมือนกันก็ส่งมาอีกเมื่อกี้พ่อกูก็สรุปไปให้อีกคือชื่อนั้นสําคัญชะไหนชื่อมันเกี่ยวกับเรื่องภาษาภาษาบ่งบอกนิสัยตอนนั้นศูนย์กรุงเทพเราก็ตั้งชื่อศูนย์พัฒนากายจิตใช่ไหม ถ้ากายเราแข็งแรงใช่กายแข็งแรงจิตใจเราก็ดีไม่มีข้าวกินดีไหมเนะชีวิตจะมีสุขไหมถ้าไม่มีปัจจัยสี่เห็นไมพโยกไปโยกมาโยกมาก็เลยจบที่ชีวิตฟิตเนสฟิตเนสชีวิตถ้าพูดถึงชีวิตแล้วทีนี้กว้างเราจะพูดเรื่องไหลก็ได้ชีวิตไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มันบวกอีกหลายอย่างความอบอุ่นความมีความรู้สึกปลอดภัยเห็นไหมต้องมีข้าวกินต้องมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยต้องมีเครื่องนึ่งหม่มก็ถกกันคนที่เป็นหมอก็มองเลยชีวิตมันกว้างเกินไปต้องมีกายมีจิตคือว่าเราเรียนรู้แบบขแขนงเดียว ล้วก็เลยแก้ปัญหาแขนงนั้นปัญหาอย่างอื่นก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ถึงเวลาสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นนะจิตพอครูก็ไม่พิจารณาแต่เมื่อมองโลกแล้วเนี่ยจากนี้ไปนี่จะกรอโลกสงบนี่คงยากละยากที่จะสงบละเพราะการแข่งขันยื้อแย่งการแย่งชิงการอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันแรงจนที่จะคุยกันรู้เรื่องละ ก็เราหาช่องที่ว่าไม่ต้องเบียดเบียนไม่ต้องไปทะเลาะ ก, กับใครมีเวลาวันหนึ่งล้วก็ทำวันหนึ่งนั่นแหละไปอินเดียเที่ยวนี้ทุกคนสรุปเรารับอารมณ์นั้นเหมือนกันคำว่าสกลลาุลเราทำธรรมะซึ่งเป็นสากลข้ามพ้นศาสนาแต่ทุกคนมีศาสนาของตัวเองอยู่ในจิตวิญญาณเรานะั่นแหละแต่อย่าเอาความเป็นศาสนาเนี่ยมาขัดแย้งกัน พราะครูไม่เชื่อว่าทุกศาสนาเขาสอนให้เป็นแบบนี้นะแต่คนในศาสนาทุกวันนี้เนื่องจากถูกไอความคิดแบบทุนนิยมแข่งขันเสรีมันครอบก็เลยไปแปรคําสอนของศาสดาต่างๆผิดก็มาตีกันฆ่ากันทุกวันนี้นะพะอครูไม่กระทําถ้าเราหยุดยั้งการขัดแย้งไม่ได้เราต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการขัดแยง้งเขาเรียกว่าร่วมสังฆกรรมพอมันเกิดอะไรขึ้นเราหนีไม่พ้นกับกรรมที่เราร่วมกัน แม้กระทั่งศูนย์นี้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรากระทบมากกระทบน้อยต้องกระทบแล้วแต่พรอครูแน่ใจว่าถ้าเกิดมันมีสงรามนิวเคลียร์สงรามล้างนี้เนี่ยมันคงไม่ยิงมาที่นี่หรอกมันไม่คุ้มอ่ะเพราะลูกหนึ่งมันแพงเนาะนั่นลหละผู้เป็นเพียนเนี่ยเขาจะแต่งชุดเสื้อสีอะไรก็ช่างแต่ถ้าเขาถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเขาจะไปใช้ชีวิตแบบคนปกติไม่ได้ส่วนมากก็หนีเข้ามาอยู่ที่ สงบห่างไกลนะส่วนเรื่องจะแต่งชุดสีอะไรอะไรเขเป็นอุบายวิธีของแต่ละที่ศาสนาก็ทำไปแต่อย่าไปหลงอุบายนั้นนะตอนนี้ยึดมั่นถือมั่นกับอุบายวิธีรูปแบบประเพณีนะแล้วเอาตัวนั้นมากำหนดโทษคนอื่นนะพราะครูมันศาสนามันมันมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่จริงจีิแล้วตัวศาสนาเนี่ยคำสอนทุกศาสาเนี่ย เป่งออกมาเป็นสัจธรรมทั้งนั้นแหละมีแต่ใช้อุบายวิธีต่างกันแต่คนในศาสนายุคนี้เนี่ยเราไม่ระวังตัวเลยเกิดวิตกจริตกลายเป็นว่าเป็นศึกแย่งชิงมวลชนนะเพราะคูก็เน้นบ่อยๆนะพูดบ่อยๆมานานแล้วว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยดับลิให้สาวกนี่จาริกออกไปประกาศพรมอาจารย์ชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมด ไม่ใช่ประกาศศาสนาแข่งกับคนอื่นแล้วก็คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพระองค์ไม่ทรงแสดงอย่างนั้นเพราะครูย7ส็ปีก็ทำแบบนั้นนะแต่ตอนนี้ต้องระวังตัวมากขึ้นก็ต้องปรับเปลี่ยนเทคนิคออกไปแล้วก็ใช้ภาษาให้มันเป็นสากลจริงๆนะตอนนี้เราอยู่ในในช่วงที่กำลังกาลังจัดเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่ก็ สมาชิกเราทางกรุงเทพเขาก็ทุ่มเทกําลังนั่นพระครูก็บอกว่าสงการนี้ศูนย์กรุงเทพปิดนะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันจันทร์อีกวันจันทร์หนึ่งมั น, น, งนังคารค่อยเปิดทุกคนมาที่นี่นะให้จิตอาสาที่กรุงเทพเราเรียกว่าเว r k e r เกนะคือเป็นเป็นจิตอาสาเป็นผู้ดำเนินพวกนี้ นะแล้วก็มีระดับบริหารคือรันเนอร์นะแล้วก็แพลนเนอร์ anner, คนวางแผนคนวางแผนพอวางเสร็จแล้วโอเคเห็นด้วยปุ๊บเนี่ยคนวางแผนก็มาเป็นว o ร์เกอร์ไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายทุกคนเท่าเทียมกันหมดแต่เราเอาความชำนาญของแต่ละคนเนี่ยมาทำหน้าที่ที่แตกต่างกันนะก็พยายามจะหล่อหลอม ตอนนี้ก็กำลังจูนกันอยู่ศรัท ธ, ธาเหมือนกันะแต่ว่าทุกคนมีทิฏฐิมานาตัวเองทุกคนก็ยังมีความใคยชินกับตัวเองอยู่แต่ว่าไม่แรงนะเพราะคูก็บอกค่อยๆ ค, คุยกันนะเรามีเป้าหมายเดียวกันเห็นไหมถ้ำนั้นอ่ะเขายังทําไม่เสร็จครูบาอาจารย์เขาถวายชีวิตเขาเป็นสิบชั่วอายุคนเน่ยเขายังทําไม่เสร็จพวกเราต้องเชื่อมต่อแต่การเชื่อมต่อนี่ไม่ใช่ไปประกาศศาสนาไปแข่งกับศาสนาอื่นเขา เราเป็นสัตว์โลกเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นนะเอาสิ่งนี้เราก็เห็นว่าเราทาแล้วเนี่ยปฏิบัติแล้วนี่ชีวิตเราดีขึ้นเอาสิ่งดีๆนี่ไปแบ่งปันกับมนุษยชาติส่วนเราจะทำได้แค่ไหนอย่าไปหวังถ้าหวังเราจะผิดหวังนะทำเพราะทำนะทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะว่าโลกนี้เนี่ยเราหยุดไม่ได้แล้วก็ ไปนเดียวที่นี้เราก็มีบทสรุปอย่างนี้ว่าเราได้ได้เห็นคำว่าสกุ ล, ลธรรมเป็นรู ป, ปรธรรมขึ้นมาทุกคนข้ามพ้นบ่วงความเคยชินเรานะถูกกดทับเหมือนอยู่ในกรอบแต่เราไปเห็นข้างนอกนี่กว้างใหญ่ไพศาลทุกศาสนาเขาก็มุ่งมั่นทำหน้าที่เขาและไอวัดที่พรอครูบอกเนี่ยอเมริกาเขาก็มีนะ ของฮินดูเนี่ยเขามีโครงการจะมาทำที่เมืองไทยเขามาซื้อที่แล้วที่จังหวัดลาดบุรีถามว่าติดอะไรติดแค่หน่วยงานของรัฐยังไม่อนุมัติเขาสอนทำดีมากนะสอนโดยเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆเนี่ยให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้าไปสนุกสนานด้วยได้รับธรรมะเต็มๆ และอีกส่วนหนึ่งเป็นการกระตุ้นให้รักชาติมีความภาคภูมิใจในความเป็นชนชาตินันนะไม่ไปยึดมัน่นคือมั่นของกูของมึงเท่าไหร่อันนี้เขารู้เท่าทาันโลกเห็นไหมโลกมันเปลี่ยนรัฐจะตรีเขาค้ำคืดค้ำคื อ, คอนะออคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาแล้วก็ถ้าศาสนาไม่ตอบโจทย์เขาแล้วเนี่ยไม่รู้จะมีศาสนาไว้ทาไม ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเขาไม่ได้ช่วยชีวิตเขาเลยนะก็มีแต่บางครั้งไปทำบุญทำบุญมีความภูมิใจสบายใจบ้างแค่นั้นเองแล้วก็กลับมาเครียดอีกพวกครูก็อยู่กับสิ่งนี้2นะ่ีปนะีผู้คนเข้าเข้าออกออกแล้วก็มีสิ่งหนึ่งต้องเตือนสติกันหน่อยหนึ่ง นะทุกคนที่อยู่ที่นี่เห็นไหเดี๋ยวคนนั้นมาก็นี้ก็ไปคนนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไปนะนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่เที่ยงนะเมฆหมอกลอยไปลอยมาฟ้าย่อมเป็นฟ้านะจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แต่รู้เท่าทันสถานการณ์ บางคนมาเวลาสั้นๆเวียงความรู้ผิดออกก็เกิดปัญญาระดับหนึ่งก็ไปหลงปัญญาแล้วเนี่ยนะแลวบางครั้งเอาคำผู้ครูพูดอ่ะเออไม่พิจารณาไม่ตัดสินก็บอกว่าตัดสินมันเป็นเรื่องอย่างนั้นเป็นปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่แสดงทําได้เลยนะไม่ต้องตัดสินนะแต่ก่อนจะไปก็ไปตัดสินว่าคนที่นี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกไม่ต้องตัดสินไงนี่คือความหลงตัวรู้ นะหลงตัวรู้ปัญญาก็ส่วนปัญญากิเลสก็ส่วนกิเลสบางคนเข้าถึงตรงนั้นโอ้แสดงทาได้เลยน ะ, ะเป็นธรรมเพียวๆมันเป็นจิตเดิมเราแต่ไม่ใช่จิตปัจจุบันเห็นไหมเขาเรียกว่าหลงกรรมฐานหลงตัวรู้มันก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่จิตปัจจุบันมันยังอินทรีระละของจิตปัจจุบันมันยังไม่พอก็แบบนี้ก็ออกไปก่อนตายเลย ไปสอบอารมณ์ตัวเองและไปเจอของจริงถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงนะถ้าอยู่ที่นี่ครูบาอาจารย์เตือนอะไรเนี่ยก็เตือนทุกคนทุกคนก็ศรัทธาพระครูถึงมาที่นี่แต่บางครั้งไปหลงตัวนั้นมันยิ่งใหญ่มากไงที่ศูนย์เรามีนะโอ้เข้าอะไรมาหลอกเราเหไหมไอมาในใจเอาของใหญ่เลยนะเอาผู้ เ, เจ้าไงถ้าไม่ใช่ผู้ เ, เจ้านี่ยจะดับศรัทธาพระครูดได้ไหมไม่ได้ ในเวลานั้นเชื่อพผู้เจ้าองค์เดียวคนอื่นไม่เชื่อผู้เจ้าบอกเอาของคนอื่นไปทิง้งไปทิง้งของไม่เนี่ยเอาไปทิง้งหมดก็เอาไปทิง้งเนี่ยผู้เจ้าบอกให้ทําอย่างนั้นตอนนั้นใครเตือนเราก็ไม่ตื่นเรามีผู้ทีเจ้าในใจเราไงนะถ้าไม่จับศรัทธาไว้นในเส้นทางเส้นนี้วิปัสสนาเนี่ยก็มีวิปัสสุกิเลสนะเห็น ไ, ไหมไม่ศรัทธาตั้งมั่น ไปเชื่อกิเลส ต, ตัวเองมันวาดภาพอะไรถ้าเขาไม่เนียนเนี่ยเขาก็หลอกเราไม่ได้ไงนะมีแต่ว่ายังจับศรัทธาเพราะกูก็ชี้ให้เห็นว่าถูกอะไรครอบงําอยู่นะผู้เจ้าสอนให้ทําอย่างนั้นจริงๆเหรอผู้เจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอในเวลานั้นเราแยกไม่ออกนะกิเลสเรามันก็รู้ว่าเราชอบอะไรเราเกียดอะไรอยู่แล้วนั่นแหละ เดินทางเส้นนี้เนี่ยวิธีปฏิบัติมันไม่ยากเลยมันง่ายแต่สิ่งที่ยากก็คือว่าถ้าเราไม่ตั้งมั่นไม่ศรัทธากับสิ่งที่เราทำจริงจริงเนี่ยทุกคนโดนหลอกหมดนะโดนหลอกก็ไม่ได้ผิดนะเป็นกรรมไงกรรมเราชอบของแปล ก, ปกชอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นไงก็เป็นกรรมที่เราฝึก ง, งั้นแล้วก็ต้องรับกรรมไปก่อนแต่ถ้าอย่าหยุดนะถ้าอยู่ที่ศูนย์อยู่ไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไม่ต้องกลัว นะแต่บางคนไม่ใช่งไงโอ้เจอใหญ่ปุ๊บบังเอิญมีอามิตรอย่างอื่น mm hmm. เขาบอกเขาไม่ต้องการอะไรแล้วเนี่ยเขาไม่มีอะไรสูญเสียไม่ต้องการอย่างไรเขาเหมือนันรล้ธรรมแล้วนะแต่มาคนเดียวเนี่ยจูงแขนอดกคนหนึ่งไปด้วยมันไม่เอาอะไรบางทีน่าสงสารมากบางทีเนี่ยพาเป็นหลงปุ๊บนี่กตันอยู่ก็ไม่มีแล้วเนาะ เราไปที่ไหนก็ช่างไปกินข้าวเขาไม่แต่เม็ดหนึ่งแล้วต้องมีกระตันอยู่นะไม่ใช่ไปหลงความรู้แล้วก็ไปกล่าวโทษคนอื่นนะไม่ใช่เรื่องที่ดีอันนี้พ่อครกูก็เตือนนะดีช่วยอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเราได้แค่ไหนกับ เ, เรื่องเราแต่อย่าไปหลงนะถ้าเราหลงเมื่อไหร่ก็เป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งนะอันนี้พ่อครูยี่สิบเจ็ดปีเห็นหมดเลยจิตมัน นานจิตตังเพราะครูไม่ต้องให้อภัยใครเยนะเพราะครูไม่เคยไปสรุปไปตัดสินว่าเธอถูกเธอผิดทุกคนเป็นไปตามกรรมตัวเองแต่ถ้าตั้งมั่นศรัทธาแล้วเนี่ยทุกคนก็มีโอกาสหลุดพ้นจากความหลงนั้นแต่ถ้าไปหลงมันยางแรงก็ออกไปเผชิญก่อนไปเจอของจริงไปเห็นทุกข์มากๆแล้วเนี่ยค่อยว่ากันนะบางคนเนี่ยไม่ศึกษาอย่างทองแท้ครึ่งๆกลางๆแล้วก็ กล่าวโทษคนที่มีบุญคุณกับเรานะแล้วก็ออกไปแล้วเนี่ยไม่กล้ากลับมานะนะเรื่องนี้บางทีเอย่าไปเล่นนะเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นไปกี่ปีกี่ปีอยากกลับมาที่นี่ก็กลับมาที่นี่ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของพ่อครูนะไม่ต้องที่นี่ไม่ต้องใช้คําว่าอภัยทานด้วยเพราะไม่ได้ตัดสินใจว่าใครถูกใครผิดมีแต่บางครั้งเนี่ยเตือน นะเตือนสติชี้ทางแต่ถ้าคนมีทิฏฐิมนันหามากๆเขาก็ต้องไปรับกรรมนั้นก่อนนะก็พวกเราอยู่ที่นี่เขาจะว่ายังไงก็ช่างเราก็สักแต่ว่าได้ยินถ้าพูดได้ต้องทําได้นะไม่ตัดสินแต่ก่อนจะไปตัดสินคนนั้นคนนี้ไม่ดีว่าเขาอยู่เรื่อยๆนะคือคือมันนี่มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นอุปทานธรรมลมมันหลอกเรา โดยเฉพาะพวกครูไม่เรียกว่าวิธีมันก็ไม่ได้เทคนิคไอ้สิ่งที่เราทำอยู่มันไม่มีวิธีตายตัวนะมันเร็วมันจะเห็นกรรมชัดเลยใครขบเกินพวกคูก็ไม่ได้นะเขาหลอกคนอื่นได้เขาก็หลอกจิตเขาไม่ได้นะนอกจากเวลานั้นเขาจะหลงเพื่อสนองตัญหาเขาจะไปทำอะไรที่ตัวเองพึงพอใจก็ไปก่อนนะแล้วสักวันหนึ่งเขาเห็นทุกจริงจริงเนี่ยเขาคงมีโอกาสกลับมาที่นี่ จนจะกลับมาไม่กลับมาก็เป็นสิทธิของเขาพวกเราก็ไม่ต้องซ้ําเติมโอเคไหมไม่ต้องซ้ําเติมนั่นแหละเรามีโอกาสให้อภัยแล้วไงคนที่ยังมีมีเรื่องถูกผิดอยู่ก็ให้อภัยแต่สําหรับพวกครูไม่ต้องให้อภัยใครยี่สิเจ็ปีไม่ต้องให้อภัยใครเลยไม่มีใครถูกใครผิดมันเป็นกรรมนะมีแต่เมตตา พ่อคูจำไม่ได้แล้วกี่ปีก่อนนานแล้วลสิบกว่ายี่เกับยี่สิปีแล้วละ่ะนานแล้วตอนศาลาหลังเก่านะศูนย์ไม่มีใครเหลือเลยนะพระแขพระเขืออะไรไปเข้าค่ายกับเด็กๆไปทำเรื่องอะไรละ่ะพวกเกษตรชีวภาพอะไรแบบนพ่อคูอยู่ศูนย์คนเดียวนะพ่อคูก็มากางกดอยู่ในศาลาเนี่ยคือศาลาเนี่ยไม่มีวันขาด เราปฏบิบัติบูชาทุกวันพ่อครูก็มาปฏิบัติคืนนั้นกลางดึกน่าจะตีสองหรือตีหนึ่งกว่าตีสองน่ยมันก็มีนิมิตเปรตนะเปรตมันสูงมากนะขนาดมันสูงไม่พอมัมนก็เย่งเท้าอีกต้องการสูงกว่าเก่ามันเดินมามันถือไม้ตุ้มตุ้มตุ้ม ม, มาอยู่หน้าศูนย์นะ ตอนนั้นก็เห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งอยู่หน้าศูนย์เอาน้ำไปสาดมันมันโกรธมากมันวิ่งใส่เข้ามาเนี่ยวิ่งเข้ามาเนี่ยในมิตรพ่อครูก็จับน้ำนมามาเข้าปากแลวกก้วพ่อครูก็แผ่เมตตาพ่อครูก็เป่าให้มันเป็ดหยุดนะแค่นี้เธอก็ไม่ใช่มันไม่มีวันผุดวันเกิดนะ มันจะต้องเกิดอีกหลายชาติเลยแต่ว่ามันเกิดช้าหน่อยหนึ่งเป็นเป็ดไม่รู้เป็นจนลืมเลยล่ะบอกหยุดสร้างกรรมซะนะแค่นี้ยังไม่เข็ดเลยทีนี้จิตสอนจิตพวกครูก็นิ่งอยู่ว่าเป็ดมันต้องเป็นตัวอย่างนี้จริงๆหรอใช่ไมมันเป็นอุปทานหรือเปล่าทำไมต้องเป็นสูงๆแบบนี้เราไปอ่านตากตำนานหรือเปล่านี่ไหม มันมันเคยกันเน้ว่าพ่อครูไม่ไม่จะบอกว่าเตือนมันมันหยุดซะเขาก็ตัวเล็กเล็กๆลลงมาก่าพ่อครูว่าเขาทุกข์มากเขาขอมาอยู่ด้วยพ่อครูอยู่อย่าสร้างเรื่องแม้กระทั่งเปรตเราต้องเมตตาเขาไม่ใช่เลือกคนเมตานะนี่คนที่ฉันรักลูกหลานฉันฉันก็เมตตาคนอื่นฉันไม่เมตตา ตอนนั้นปฏิบัติไปแค่ไหนก็ไม่ไปไหนนะยังมีของมึงของกูอยู่เนะดี๋ยเฉพาะตัวเราไม่ใช่ของเราทุกคนก็รู้ไงรู้หมดแต่เวลาเ้าด่าหน่อยทาไมทำไมโกรธอ่นะถ้าไม่ใช่ตัวเราใครจะเป็นคนโกรธเนี่ยเราต้องโกรธเพราะว่าเราไปคิดตูวว่าเป็นตัวเราเราไปขโมยของธรรมชาติเป็นมูลของธรรมชาติของโลกมาเป็นของเราไงเราก็ผิดศีลไง เราก็ต้องโกรธเราต้องเสียใจเห็นไหมเพราะเราผิดศีลไม่ใช่ของเราสักหน่อยหนึ่งเ ร, เราก็ว่าเราไปขโมยของโลกก็เป็นของเรามนุษย์คิดตู่ว่าโลกมนุษย์ใช่เหรอโลกวันนี้ของฉันฉันจะทำลายอะไรก็ได้กําหนักนะอันนี้ผิดศีลแรงเลยนะไปคิดตู่ว่าโลกนี้ของเราของมนุษย์จะทาอะไรก็ได้ ก็ต้องรับกรรมทุกนีแน่ตอนนี้กําลังไงทําลายป่าไม้หมดอะไรอไรหมดนะที่พัก พ, พ่อครูอยู่ตรงริมเขื่อนน่นไอ้ตรงที่สร้างนี่หนึ่งเขาเรียกว่าหนองสี่เหลี่ยมนะสมัยก่อนเนี่ช้างมากินน้ําตรงนั้นนะไม่มีใครกล้าไปอยู่นะริมนั้นน ะ, พ, ะพ่อครูมาข้ามน้ํามาก็อยู่ตรงนั้นเลยนะถ้าเรามีเมตตาเราอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้มันไม่ใช่ของเรา เราอาศัยแผ่นดินของโลกนี้เขาอยู่ชั่วคราวอันนี้ออกโฉนดของเธอของฉันไงอันนี้ผิดศีล น, นะไปขโมยของโลกเป็นของเราเนี่ยแล้วพอเขามาล้ำที่หน่อยนีย่ทุกมากมากเธอมาล้ำที่ฉันเห็นไหมไปโดนทกงที่ไปก็ทุกอีกเห็นไหมเธอขโมยที่ฉันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ที่เรามนุษย์เราขี้ดูบอกว่าโลกมนุษย์เนี่ยโลกของสรรพสิง่ง ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนี่มนุษย์เราขี้ตู่หมดเราถึงทุกข์ไงเราผิดศีลตั้งแต่แรกแล้วไปขโมยของเขามาเป็นของเราน่และใครโกรธบ่อยๆดูตัวเองนะถามว่าไอ้คนไหนมันโกรธใครเป็นคนโกรธเห็นไหมอัตตาเรามันโกรธไงเราสร้างอัตตาขึ้นมาตัวกูของกูอาจารย์พุทธทาสท่านเป่งภาษา ถ้าภาษาพ่อขุนรามสมัยโบราณเขมันไมนะแต่ทุกวันนี้เหมือนว่าเราหยาบนะท่านเป่งขนาดนั้นนะทุกคนก็เข้าใจท่านนะแต่ถ้าแต่ศีรษาาไปเป่งดูเนี่ยตีกันฆ่ากันนะขนาดท่านเป่นแรงขนาดนี้นี่ก็เอาไม่ออกไนงะยังตัวกูของกูอยู่เห็นไหมเขาเตือนขนาดนี้แล้วไม่ใช่ของเราเวลาจะกลับบ้านเก่าเอาไปด้วยนะ ของกูน่นบ้านกูที่ดินกูเอาไปด้วยนะอย่าให้มันลกอยู่ที่แล้วเขาเผาเรากระดูกนี่ก็เอาไปด้วยนะอย่ามันกอยู่ในโลกใบนี้ไม่ใช่ของเราสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราผิดศีลแล้วเห็นไหมเราอาศัยเขาอยู่มีก็ททำประโยชน์เห็นไหมได้บุญทำเพื่อให้ไม่ใช่ทำเพื่อเอาของกูของกูเนี่ยแหละ แต่ตอนนี้การศึกษาแข น, แนงไหนบ้างสอนให้เราเป็นผู้ให้วิชาไหนก็สอนให้เอาทั้งนั้นแหละเป้าหมายคือลาบยศเสริญนะเมื่อเดือนที่แล้วพ่อครกูก็เคยพูดทีหนึ่งอาจารย์อ้อยได้ข้อมูลว่ามาหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเขาวิจัยเรื่องหนึ่งเจ็ดสิปีใช้เวลาเจ็ดสิปีถ้าในยุคนี้ถือว่าโอ้โหลงทุนมากเลยเจ็ดสิปีนะ อาจารตาใช้เวลา7 0็ดรอปีนะอันนี้เจสิปีเขาวิจัยเขาเอานักศึกษาทุกๆเทอมเทอมหนึ่งสองคนเนี่ยไปหาข้อมูลชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเขาเนี่ยถามว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรความสุขคืออะไรนะทุกคนพูดเหมือนกันว่ารวยแล้วก็มีชื่อเสียงนั่นแหละสุขทำทุกปีนะ พอมาถึงปีนี้เนี่ยสรุปผลงานชิ้นนี้รวยไม่ได้แปลว่าสุขมีชื่อเสียงไม่ได้แปลว่าสุขความสุขเขาแค่ว่าชุมชนสังคมคุยกันรู้เรื่องไม่ทะเลาะ ก, กันแล้วก็มีเวลาเป็นจิตอาสาก็สรุปแล้วไงมาให้ลยที่ดังๆ มนุษย์เราตั้งโจทย์ชีวิตผิดต้องรวยก่อนเขาแซ่สองดันเสินเธอรวยเธอเก่งนะไปโชว์เพชรนินจินดาเขาชมแล้วก็มีความสุขมันไม่ใช่สุขมันเป็นกิเลสเขาสรุปแล้วไงมันไม่ใช่สุขความสุขแค่คุยกันดูเรื่องชุมชนไม่ทะเลาะบ่แว้งกัน ที่เราทุกข์เพราะเราขัดแย้งกันแล้วก็ทุกข์ใช่ไหมล่ะไอ้ทุกข์นั่นคือไม่สุขหรอแต่ถ้ามันไม่มีทุกข์นั่นคือสุขอย่างยิ่งและการให้เนี่ยจิตอสารเราเป็นคนรวยจริงๆนะถ้าไม่รวยจริงๆเราไม่มีส่วนเกินให้เขาแต่ถ้าเรามีเท่าไหร่ก็ไม่พอเนี่ยเราจนตลอดเวลาหลยเราไม่มีส่วนเกินเรารวยเงินแต่เราจนชีวิตไม่มีเวลาไปทําความดีเห็นไหมหลายปีก่อนมีคนรายงานพรอครูเนี่ยลุงแดงตาย ลุงแดงอายุเท่าไรอายุเจสบเดี๋ยวมาทางนี้ลุงดำตายอายุเท่าไหรอายุแปอายุคืออะไรอายุคือเวลาชีวิตคือเวลาใครมีเวลาให้กับตัวเองมากที่สุดคนนั้นรวยชีวิตที่สุดแต่ตอนนี้รวยเงินแต่จนชีวิตไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้ววันจะตายกลับไปบ้านเก่าสลึงหนึ่งเหรียญหนึ่งก็เอาไปไม่ได้ไงแล้ถูกทุนนิยมตั้งโจทย์ให้ชีวิตเราผิด นะก็อันนี้ศัจธรรมคือความจรงิงพ่อครูเอาความจริงที่มันเกิดขึ้นกับพ่อครูเองตลอดชีวิต4 0ปีวิ่งไปตามโลก20ปีอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปเทียบเทียบกับใครเปรียบเทียบกับเรานั่นแหละและว้วพ่อครูไม่เอิงไม่บังเอิญ ไ, ไม่ต้องเปรียบเทียบ40ปีกับ2 7ปีนะจิตพ่อครูเปรียบเทียบหลายชาติหลา ย, ล, ายล้านชาติเลยไม่มีอะไรสงสัยธรรมะไม่ใช่ไปพูดภาษาบาลี แปลเป็นไทยแปลไทยยังต้องแปลเป็นไทยอีกเพื่อนสนิทกันทุกวันนี้เอ๊ะมันพูดอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไงขนาดเพื่อนสนิทนะถ้าศัตรูแล้วไม่ต้องพูดกันถึงหรอกเธอพูดขาวฉันว่าดําอันนี้เพื่อนสนิทกันยังยังมาคิดเอ๊ะมันพูดอย่างนี้แปลว่าอย่างไงมันเป็นสังคมวิตกจริตทุกคนกังวลหมดไม่มีใครเชื่อใครเพราะความกิเลสเรานะ พราะคูไม่ต้องวางแผนนะเออพอเราคัดเด็กมาอยู่ประจําพวกคูว่าลูกเทวดาเนี่ยหกคนมาอยู่ที่นี่เรามีเด็กประจําหลายคนที่นี่เรามาลองดูเออนี่ยังมีกลุ่ม A อกลุ่มบกลุ่ม B ยังไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้ให้ปลอดภัยก่อนเดี๋ยวเราจัดการเพราะว่าพวกเขาต้องเดินไปข้างหน้าเราปฏิเสธวิชาการไม่ได้เพราะเขาประเมินว่าใครเก่งวิชาการค่อยได้ไปเรียนต่อไงเขาหวาังระบบแบบนั้น เด็กหลายคนมาอยู่กับพ่อครูเขาบอกถ้าเขาเลือกได้เนี่ยเขาไม่เรียนได้ไหมเขาจะอยู่ช่วยพ่อครูพ่กครูบอกว่าถ้าอยู่ช่วยพ่อครูต้องเรียนถ้าเอาแรงงานมาช่วยพ่อครูแรงงานพ่อครูเต็มหมดเลยยิ่งต่อไปมันจะเปิดอาเซียนแรงงานเราก็แพ้เขาด้วยนะโอเคน้องๆไม่สบายหน่อยไปรักษาให้พ่อครูหน่อยหนึ่งก็ไปไม่ได้ไงบางคนต้องเรียนนะไม่ใช่เรียนทุกคน ตอนนี้เราถูกบังคับเรียนทุกคนต้องเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยมันยังสอบตกเลยนะไปเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้ภาษาอังกฤษก็ยังสอบได้ไม่ได้บ้างตอนนี้จะเอาอาเซียนอีกแล้วมันเป็นบ้ากันหมดเนาะเราเข้าใจว่าเรียนภาษาอังกฤษเราจะสำเร็จในชีวิตพ่อครูยืนยันไม่จริงคนจบปริญญาเอกทางภาษาออกมาคุยกันไม่รู้ภาษา นะพูดบ่อยๆลูกน้องพ่อครูตอนอยู่อเมริกาล้านอาหารเราเนี่ยไอ้ตำแหน่งต่ําสุดคือเทขยะล้างจานนั่นภาษาอังกฤษมันเก่ ง, งกว่าพ่อครูด้วยคอมพิวเตอร์นี่ด็อกเตอร์เป็นลูกน้องพ่อครูพ่อครูไม่มีปริญญาไม่ใช่เรียนจบภาษาแล้วจะเกิดทักษะชีวิตคุณแค่รู้อีกภาษาหนึ่งของคนอื่นตอนนั้นเองเป็นแค่องค์ความรู้ไม่ใช่ปัญญาอันนี้บังคับให้คนทุกคนโง่เหมือนกันหมดเลยโดยเฉพาะ โรงเรียนในชายแดนเนี่ยแทนที่จะสอนให้เขาเนี่ยเป็นกเกษตรกรที่มีความสุขปลูกข้าวพืชไร่เก่งขึ้นให้มันไปท่องจำภาษาอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมประธานในทุบดีรัสเซียมาเมืองไทยไม่พูดภาษาอังกฤษเขาไม่บ้านายกญี่ปุ่นมาเมืองไทยก็ไม่พูดภาษาอังกฤษเขาไม่เหอ่อเอามันเป็นมหาอำนาจเอานายกฮุนเซนมาเมืองไทยก็ไม่เคยพูดภาษาอังกฤษ ผู้นำพม่ามานี่นุ่งสลวงมาเลยล่ะเขาก็ไม่เหพูดภาษาอังกฤษมีเมืองไทยเนี่ยบ้าที่สุดเฮอเทกระจาดเลยวัฒนธรรมไทยหมายหมดเลยนะมันไม่มีความรักชาติแล้วบ้านเมืองมันก็ทะเลาะ ก, กันแบบนี้ไงไม่มีสำนึกไนก็ชี้ให้ดูว่า จริงๆแล้วเราเกิดมาบุญเยอะมากเนี่ยเจอพระพุทธเจ้าเจอคำสอนพระองค์เจอพระพุทธในหลวงองค์ปัจจุบันนะท่านทุ่มเทตลอดชีวิตท่านนะสิ่งที่ท่านเป่องออกมามีแต่ปัญญาทั้งนั้นโดยเฉพาะเศรษกิจพอเพียงนะไอ้นักวิชาการก็มาบอกว่าพออยู่พอกินพอใช้มีแต่เรื่องวัตถุอีกเรื่องกายภาพเพราะครูบอกไม่ใช่ต้องพอใจเพียงแค่มีมีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจแต่ไม่ได้ไปว่าพอแล้ว ขยันขันแข็งทาต่อไปทําแล้วได้มากก็พอใจทําแล้วเสียก็ต้องพอใจพอใจในสิ่งที่เราได้ทําเรื่องอะไรจะไปทุกข์เอาเสียแล้วมันทุกข์มันพอใจได้ยังไงเราเสียโอกาสได้เงินแต่เราได้โอกาสเรียนรู้ประสบการณ์อย่างยิ่งต่อไปมันจะไม่เสียหยีมันจะรั่วมันเสียเพราะอะไรเราพี่นึงเรียนหนังสือทำไมตั้งแต่นุบานจนถึงปริญาตีโตเอกก็เพื่อเอาความรู้ใช่ไหมและความรู้แบบโง่งๆด้วยไปท่องจําความรู้ของเขาแต่เราทำปุ๊บ ม, มันพลาดเสียนีเนเน่เป็นปัญญาอย่างยิ่ง ไปเสียใจทำไมเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็นเน้นเรื่องวัตถุถ้าวัตถุนี่บิวเกตยังไม่พอเลยใครจะพอมันต้องเริ่มจากข้างในในหลวงบอกเองออกมาจากข้างในแต่นักวิชาการที่ไม่เคยฝึกจิตวิญญาณก็มีแต่พออยู่พอกินพอใช้เอาแต่เรื่องวัตถุว่ากันต้องเริ่มจากข้างในมีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจแต่ไม่ได้แปลว่าพอแล้วถึงเราจะพอแล้วเราต้องขยันทำ เมื่อเรามีส่วนเกินเราก็จะแบ่งปันคนที่เขาไม่มีไงนั่นแหะเป็นบุญอย่างยิ่งเรามาเจอคำสอนพุทธเจ้าเจอปัจชยาของในหลวงให้เราเนี่ยสุดยอดแต่เราไม่ฟังรุ่นใหม่มาวิ่งใส่เลยนะรุ่นใหม่มาก็วิ่งใส่เลยนะเชื่องมากทุนนิยมมันเก่งมากนะใครมาอยู่ในศูนย์นี่อย่าเป็นอย่างนั้นลูก อย่าทำอะไรโ ง, โ ง, โ ง, โ ง, โงโ่ๆเนอะมีโอกาสแล้วเนี่ยต้องรีบตักตัวงสิ่งดีๆนะส่วนการเรียนพ่อครูไม่ไปฏิเสธไงเห็นไหมพ่อครูเพิ่มเราจะไปหาครูเก่งๆมาสอนวิชาการในป่าในี่ใครจะมาต้องเรียนศึกษาสงเคราะห์ไม่ได้เก็บเงินสักบาทยัึงจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างเขาจ้างเขาก็ไม่มาหรอกเขาไปอยู่ที่อื่นได้เงินมากแล้วก็ยังสุขสบายอยู่แต่ทีนี้พอไป จะเรียนต่อมันประเมินความรู้ซึ่งเป็นวิชาการไงและเอาอย่างไงบังเอิญเป็นบุญของเด็กที่นี่นะอาจารย์อ้อยอยู่นี่พอดีแกยังไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่นะเพราะกูเห็นว่าเอาพอพอพอทรงตัวได้อาจารย์อ้อยช่วยดูพอ ก, กูหน่อยหนึ่งเทคโนโลยีเอาเข้ามานะเอาโปรแกรมตัวนี้เข้ามาเนี่ยไม่ใช่มันดีเลิศ แค่ของเรานี่ทำได้ก็สุดยอดแล้วจะไปเอามันดีๆแล้วทำไม่ได้มีประโยชน์อะไร เ, ไเราก็ได้หนึ่งหมาเห็นหเด็กก็มีโอกาสไงมาสอนแทนครูเก่งๆไงเด็กเองก็ต้องเอานะต้องมีความอดทนอันนี้เป็นแค่เครื่องมือในการฝึกความอดทนเราแล้วก็เนื่องจากเครื่องมือนี้เข า, าเอินว่าเธอเธอรู้ไหมไม่งั้นเธอไม่ได้เรียนต่อ แต่ถ้าพ่อคูเป็นคนจัดการศึกษาเนี่ยพ่อกูไม่เอาเครื่องมือนี้เอาวิชาการเป็นประเมินพ่ครูจะประเมินจากพฤติกรรมมีความรับผิดชอบไหมนั่นแหละถึงเรียนต่อไอคนเก่งแค่ไหนวิชาการไม่มีความรับผิดชอบมึงไม่ต้องเรียนเบื่อแต่ตอนนี้เขาประเมินแบบนั้นไงแล้วก็หนีหนีไม่พ้นเราก็เอากับเขาบ้างแต่อย่าไปหลงนะอย่าไปเรียนจนตายนะต้องอย่าไปเรียนจนมันตายเรียนให้มันเป็นนะเรียนจนเดี้ยงอนะเรียนจนตายนะ นะได้เกรดสี่แต่ว่าร่างกายไปไม่รอดนั่นนั่นเรียนแบบโง่ๆพราครูไม่ต้องว่าเดินสายกลางพราะคูไม่ต้องใจเดินสายกลางจิตมันเป็นกลางอยู่แล้วมันยอมรับผวนเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ต้องรองงบนะที่นี่ถ้ารองงบเนี่ยมไม่ได้สร้างอะไรหรอกระบบราชการเราเนี่ยถ้างบไม่มีนี่เป็นง่อยหมด เรียนมาเกือบตายรัฐบาลก็ลงทุนให้ตัวเองก็ลงทุนเรียนมาปุ๊บความรู้ก็มีแต่ถ้าไม่มีงบเป็นง่อยหมดให้ความรู้มันแก่ตายไปวันวนหนึ่งนะเห็นพอมีงบมาก็งา ก, กันอีกแล้วมันจะไปทางไหนล่ะถ้าไปพูดก็ไปขัดแย้งอีกแต่ถ้าไม่พูดก็แก้กปัญหาไม่ได้คนจนก็เลยเป็นเหยื่อเลยผู้ได้โอกาสกลายเป็นผู้พลาดโอกาสเห็นไหม พ่อครูงานเยอะไหมไม่แต่ทำทุกวันทุกนาทีเห็นไ้มพรุ่งนี้บังเอิญเด็กๆ เ, เขาจะไปดูมหาวิทยาลัยที่อุบลเนี่ะพ่อครูจะไปกับเขาด้วยพรุ่งนี้เช้าหกโงพ่อครูก็ไปกับเขาไปดูว่าเขาทำอะไรไปดูข้างนอกทำยังไงเดี๋ยวพ่อครูก็มีช่องของพ่อครูเองเห็นไมไม่ต้องรองงบ เออมันควรจะสร้างสร้างเลยเดี๋ยวมันก็เสร็จพอตรงนี้ห้องห้องสมุดนี้เอามาติวเด็ก อ, อ้ยไปสร้างห้องสมุดให้ตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวย้ายไปเรามีเวลาวันหนึ่งเราก็ทําวันหนึ่งแต่พ่อคูไม่เคยหวังนะเราจะไปรอเวลาให้มันแก่ตายเป็นวันหนึ่งทําไมลงทุนลงแรงไปเรียนพ่อแม่ก็ลงทุนให้เราไปเรียนบ้านเมืองก็ลงทุนให้เราไปเรียนความรู้เต็มไปหมดเลยแต่ว่า ไม่ทำกลัวเสียเปรียบขอคิดว่าเขาฉลาดเขาโง่ามากนะพลาดโอกาสในการสร้างกุศลนะเราสูญเสียสิ่งนี้มากเหลือเกินความรู้ของคนไทยเยอะเลยแต่ว่าลองงบงบมาล้านหนึ่งสร้างมันแค่สามแสนเห็นหั้ยสมัยก่อนเนี่ยในชุมชนเนี่ยนะไม่มีงบไปตะบานหนึ่งเนี่ยทุกคนลงแขกกันได้ได้งานเยอะเลย แต่ตอนนี้ไม่มีงบฉันไม่ทําเป็นง่อยหมดคนทุกวันนี้เป็นแบบนี้ไงแล้วจะเรียนรู้ทําไมล่ะความรู้มันแก่ตายเป็นวันหนึ่งเฉยใช่ไหมแทนที่จะมาใช้ประโยชน์นั่นแหะถ้าเราฝึกจิตนี่มันจะเกิดจิตสํานึกจิตสํานึกมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปปลูกสํานึกเขามันเข้าหูซ้ายออกหูขวาปลูกสํานึกเดิมมันตื่นขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมีปัญญามันจะฉลาดเองมันจะมีสํานึกเองเขาจะมีรับผิดชอบตัวเองกับสังคมเอง ผู้เจ้าชี้ทางยิ่งใหญ่มากแต่ไม่เอาไงไม่เอาไม่ชอบเพราะมันไม่สนุกพวกครูบอกนะยิ่งกว่าสนุกยิ่งกว่าสุขอีกขอให้มันทําได้เถอะเพราะใครทําให้เราทุกข์ก็ไม่ได้โอ้ยพวกครูกินข้าวเห็นบอกว่าไม่รู้รสชาติแล้วมันจะดีตรงไหนเห็นไหมมันก็ไม่รู้อร่อยสิ อร่อยมันดีใช่ไหมเออเดี๋ยววันไหนกินไอ้แม่อร่อยนีย่โอ้ยทุกข์มากเลยเห็นไหมอันนี้มันยิ่งกว่าอร่อยอีกไม่ต้องเสียเวลาริมรถด้วยเห็นไหมเราไม่เข้าถึงนั้นเราไม่เข้าใจมันหรอกแต่กิเลสเราอ้ยบางคนว่าไม่อยากทําทําไมเห็นไหมเอา้าก็ทํำพราะทําไงพรออยากทําเพราะเบื่อมาก็เลือกทําเห็นไหม อันนี้่ปีไม่มีคำมาเบื่อเลยนะก็ทาทุกวันเนี่ยเจออะไรก็ทำยิ่งกว่าสุขอีกอันนี้อยากค่อยทำพอหายอยากก็ไม่ทำทิ้งเลยทำเพราะทำไงที่เรากินข้าวไม่ใช่อยากกินนะรถยนต์ไม่ใช่อยากเติมน้ำมันนะไม่เติมน้ำมันมันจะวิ่งได้บอกถึงเวลาเราไปก็กินนี่ยใช่ไม ถึงเวลานอนก็นอนที่ว่นะอันที่ไม่ใช่อยากนะไม่ใช่อยากนอนอยากกินอยากอาบน้ำไม่ใช่มันเป็นหน้าที่เราก็ทำไปทำไมทำต้องอยากละ่ะถ้าทำเพราะความอยากต้องระวังพอมันไม่ได้ดั่งใจปุ๊บนี่ทุกเลยพอมันเบื่อมาหายอยากกูก็ทิ้งเลยเห็นไหมแล้วชีวิตเราจะสำเร็จได้ยังไงนั่นแหละมีโอกาสแล้วก็ฝึกปลุกสมนึกเราตื่นเอาปัญญาเก่าเรามาใช้ ทุกวันนี้ไปเรียนรู้รู้รู้รู้รู้แต่ความรู้คนอื่นนั่นนั่นแหละก็คิดว่าตัวเองเก่งคุณไม่เก่งอะไรเลยคุณเป็นแค่คนนักเรียนแบบกันนั่นเองเป็นนักก๊อปปี้เห็นหแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องต้องอย่างสตีฟจ็อบเนี่ยไม่ใช่เขาสมเร็จเพราะว่าเขาสร้างขึ้นมาเองไม่เขาบอกเองไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างเขาสร้างเลยแต่เขาฉลาดใช้ความองค์ความรู้ที่มันมีอยู่เนี่ยมาบูรณาการนั่นแหละคือคนมีปัญญาเห็นไหม เขาไม่ต้องจบปริญญาตรีสถิติจบน่ะนะ เ, เขาฝึกจิตฝึกเซนต์ตั้งแต่เด็กๆไงเขามีปัญญาจากข้างในคนมีปัญญาจะฉลาดใช้เออไอที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาประกอบเป็นของใหม่ที่มันมีประโยชน์มากขึ้นทุกวันนี้องค์ความรู้เราเก่งที่สุดท่องจําเก่งๆเขเท่า ก, กับไอ้เจ้าของตำลามันเท่านั้นเองนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ไปอิมเพรสโอ้พระเจ้าของเขาคือไอน์สไตน์ ไอน์สไตน์เห็นไหมเราไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยเราไปวิจัยแค่ทฤษฎีไอน์สไตน์เฉยๆเนี่ยเก่งที่สุดก็เท่ากับไอน์สไตน์ไงเขามีให้เราอยู่แล้วเราต้องสามารถทําให้มันเก่งกว่าไอน์สไตน์ด้วยไงไม่การศึกษาเขาตีกรอบไม่ได้เดี๋ยวฉันจะควบคุมเธอไม่ได้ยากต่อการควบคุมใช่ไหม แล้วเวลาที่เราเรียนเนี่ยก็เวลาจํากัดไงเราจะเก่งแค่ไหนใช่แต่ถ้าเราเข้าไปในจิตวิญญาณนะจิตเรามันทำมาตั้งหลายล้านชาติแล้วไงมันมีข้อมูลหมดเลยแต่มันยากแล้วละ่ะมนุษย์เราเนี่ยมันถูกตีกรอบมายาวนานนะ ก, ก็ถึงเวลาก็ปล่อยธรรมชาติเขาจัดการเลยเนาะให้เขาสะสารคดีกวางแ ล, ลยื้อกันใหม่ซะเริ่มต้นกันใหม่ กล้จะถึงเวลานั้นแล้วล่ะธรรมะกำลังจะสัตสนเขาต้องบุรณาการปรับสมดุลตัวเองใหม่ข้างล่างมันเป็นโพรงหมดแล้วล่ะข้างบนก็ขยะาอาวกาศเต็มไปหมดเราเห็นแต่รถตุรีกรุงเทพนะตอนนี้เครื่องบินน่ปล่อยมวลภาวะเต็มไปหมดมนุษย์ทำลายทั้งใต้ดินบนดินในน้ำ บนอากาศฝีมือมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นแหละเห็นไหมแล้วธรรมชาติเขาต้องปรับสมดุลของเขาเนาะแต่พวกเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อเวี่ยงความกลัวทิง้งความกลัวทำให้เราเสื่อมที่นี่ต้นเหตุของความกลัวคือความอยากตัวตัณหาคือที่มาของทุกแต่ที่ ตัญหานี่ไม่ใช่ปฐมเหตุนะที่มาของตัญหาก็คือกิเลสกิเลสก็ไม่ใช่ปฐมเหตุนะเข้าใจไหมที่มาของกิเลสก็คือตัวอัตตามีตัวเรานั่นแหละไอ้อัตตาตัวนี้ก็ไม่ใช่ปฐมเหตุอีกมันเป็นต้นเหตุมันมีที่มาของมันเพราะมันเกิดไงเพราะมันเกิดไงนะเกิดก็ไม่ใช่ปฐมเหตุอีก กฎเป็นแค่ต้นเหตุสาเหตุของการเกิดก็คือกรรมไงกรรมก็ไม่ใช่ต้นเหตุอีกกรรมเกา่าบวกกรรมใหม่ก็คือผลกรรมใหม่นี่คือหลักปฏิสัศบุติบาทอิทัพปยญยตานะวิทยาศาสตร์พยายามวิจัยเรื่องปฐมเหตุตอนนี้ไปไม่ถึงก็คาดคะเนเอาว่าเกิดบิ๊กแบงบิ๊กแบงทำให้เกิดจักรวาล อยู่ๆบิ๊กแบงมันก็เกิดขึ้นมาเองเลยเหรออะไรทำให้มันเกิดบิ๊กแบงมันก็ไม่ใช่ปฐมเหตุอีกไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างมันเกิดขึ้นลอยๆของมันใช่ั้ยสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดเหตุดับผลจึงดับที่เราดับเหตุเนี่ยผลก็ดับพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเนี่ยเขาดับเหตุ เหตุตรงนี้ก็ไม่ใช่ปฐมเหตุนะมันเป็นเหตุที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดเราก็ดับเกมนี้ได้เท่านั้นเองไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสามโลกธาตุแต่มันไม่ได้จบมันก็ยังมีอยู่นะวิทยา ศ, าศาสตร์เราเนี่ยมีศักยภาพจำกัดแต่มันไม่ใช่มันไม่ดีนะ วิธีการหลักการเขาดีอยู่แล้วแต่ตอนี้เป้าหมายเขาเนี่ยถูกคอนโทรลด้วยทุนนิยมวัตถุนิยมเนี่ยเป้าหมายมันผิดก็เลยเอาความเก่งกาตรงนี้เนี่ยมาทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกมันก็เป็นกำหนับเพราะยิ่งเก่งเท่าไหร่การทำลายล้างมันเร็วขึ้นการปรับสมดุลของธรรมชาติมันไม่ทันหลายปีก่อนพกูจำไม่ได้รู้สึกฝรั่งเศสก่อนมั้ง แล้วก็อินเดียพออินเดียทำปุ๊บปากีสถานก็ทำเป็นเป็นคู่อริกันทดลองอาวุธนิวเคลียร์ใต้มหาสมุทรจากวันนั้นแหละคำว่าเอลยินโนมันเกิดขึ้นในในโลกนี้เขาคิดว่ามีใครไม่เห็นภูเขาไฟใต้มหาสมุทรมันถัดกระทุ้กขึ้นมาหมดลาวาก็ขึ้นมาอุณหภูมิในมหาสมุทรทะเลมันก็เปลี่ยน สัตว์น้ำไม่เคยเกยตื้นมันเกยตื้นหมดหรอกมันหลงทิศข้างล่างก็เป็นโพรงอีกต่างหากมันก็เกิดแผ่นดินถลม่มก็เกิดื้นามินี่คือมนุษย์ความเก่งกาจของมนุษย์นี่คือวิทยาศาสตร์ไงนะแล้วเด็กวัยรุ่นทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยติดเกม ติดโซเชียลมีเดียติดงอมแงมนะเพราะคูเคยพูดหลายปีก่อนว่ามหาวิทยาลัยชิคาโกเนี่ยเขาวิจัยเรื่องนี้อยู่โซเชียลมีเดียเนี่ยอันตรายกว่าติดยาเสพติดติดน้ำตาลเนี่ยอันตรายกว่าติดคือคือในแง่สุขภาพ โซเชียลมีเดียนี่อันตรายที่สุดยิ่งกว่าติดยาเสพติดอีกผู้ใหญ่เราสร้างผมเราสังคมโดเลวเนี่ยให้เด็กมันมันอยู่ไงเด็กก็คือเด็กเขาแยกแยะถูกผิดไม่ได้เขาก็อินเขาก็สนุกอินอิอิ น, อ น, อ น, อนเพราะชีวิตเขาเบื่อมาก <c oughs> เขาก็อินอยู่กับมันเขาก็เลยถูกมันครอบงาหมดไม่ใช่เด็กไทยนะเด็กฝรั่งวันดีคืนดีอเมริกาเนี่ย เอาปืนไปยิงไล่เพื่อนที่โรงเรียนเขาไม่รู้ตัวเขาเล่นเกมตลอดในเกมนี้มีแต่ได้เสียแพ้ชนะกลายเป็นคนแข็งกระด้างหมดผู้ใหญ่ก็มัวแต่เสรีเสรีอยากขายของอยากอะไรแล้วสุดท้ายลูกหลานตัวเองก็ต้องรับกรรมนั้นแล้วเด็กดีบางคนบังเอิญว่าเรามาเปิดเข้าอยู่ประจมเนี่ย เราได้เรียนรู้เยอะมากเนี่ยคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านพราครูอยู่ในป่านี้พ่อครูดูผู้คนเข้ามาดูขึ้นจิตเขาเนี่ยพ่อคูตามออกไปรู้ได้ว่ามันเกิดสาเหตุอะไรโดยเฉพาะเด็กมาอยู่ประจำที่นี่เราได้เรียนรู้กับเขาเด็กมาจากในเมืองนี่เรียนเก่งๆมากเกรดสีเกรดอะไรเนี่ยก็สังคมไปสร้างสังคมเร็วๆให้เขาเขาก็อยากเป็นคนเก่งไง เขาก็เรียนตีสองตีสามไม่นอนนะไปโรงเรียนปึ๊บเขาก็ง่วงเขาก็กินกาแฟผงนี่ใส่เข้าไปเลยสองสามซองเป็นเวลาหลายปีพ่อแม่ก็ไม่รู้ไม่แต่พอใจว่าลูกฉันเก่งฉันเก่งพ่อแม่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเวลา น, นี่นี่เด็กดีในสังคมเห็นไหมเขารับผิดชอบเห็นไหมเขาเกตเขาเรียนเกตซีหมดเนี้ย เดินก็แทบจะไม่ไหวอันนี้อันนี้แบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งก็ปล่อยให้เล่นเกมเล่นอะไรอะไรอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ควรเล่นก็เล่นนะยิ่งกว่าติดยาเสพติดถ้าเราปล่อยให้สังคมแบบนี้เราไม่รู้จะหาเงินไปทําไมสู้ดีเรามาจนๆกันดีไหมครอบครัวหนึ่งเห็นหน้ากันทุกวันมีขเนียวปั้นหนึ่งฉันป้อนเธอเธ อ, เธอป้อนฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันเข้าใจเธอเธอเข้าใจฉันไม่เอาสุขแบบนั้นดีกว่าเหรอ เราหยุดไม่ได้แล้วเกมนี้มันบ้ากันไปหมดแล้วเพราะครูหนีมันมาขนาดนี้มาอยู่ในป่านะสิบปีสงบเย็นจริงๆไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนเข้ามาเพราะครูนั่งเรือข้ามมาเป็นสิบปีที่สงบเย็นจริงๆไปในป่าไปเก็บเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารธรรมชาติสมุนไพรเต็มไปหมดมีซูเปอร์มาร์เก็ตเต็มไปหมด ลงไปในเขื่อนนี่ปาชุกชุมมากป่าส้อยป่าแก้วเต็มไปหมดเป็นอาหารปลาใหญ่ตอนนี้มันเริ่มจะสู์พันธ์ทีละอย่างทีละอย่างแล้วพรมันไปขายได้แล้วไงเหตุเหตนี่แทบจะไม่มีหรอกตอนนี้ในหมู่บ้านนี่มีอยู่สองจุดมีป่าในสูนนี้กับไร่แหลมทองของกู่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านไม่ต้องทำอะไรให้ต้นไม้มันขึ้นแต่ตอนนี้นักวิชาการเราเนี่ย เรียนวิชาการมาไปคำนวณอยู่ในห้องแอร์ว่าเฮ้ยจะปลูกป่าไล่หนึ่งกี่ร้อยต้นว่ากันไปวางผังปุ๊บปลูกไอ้ต้นไม้เก่าเก่ามีอยู่แล้วทำลายมันหมดมันไม่ตรงหลักวิชาการและส่วนมากปลูกไม้เพื่ออะไรไม่จะปลูกป่านะปลูกไม้มาเพื่อตัดเอาไปขายไม้เศรษฐกิจพอตัดแต่ละครั้งนี่ระบบนิเวศมันก็เปลี่ยนหมด สวนยางอะไรนี่เนี้สัตว์มันก็มาอยู่ไม่ได้นี่คือความคิดเนี่ยเราต้องการมีระเบียบเรียบร้อยไงเราบอกว้าป่ามันลกนะเรามีระเบียบแต่เราไม่มีวิเนัยป่าเหมือนเหมือนมีระเบียบไงต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กมันจะมีวิเนัยมากนะมันอยู่ด้วยกันอย่างสันติแล้วเมื่อมันมีความชื้นแล้วในสมุนไพรอะไรก็เกิดขึ้นได้สัตว์ก็อยู่ได้ ศูนยนี้นี่เราจะใช้เท่าที่เราจําเป็นนะไอ้แปลงที่ไม่ใช้ก็ปล่อยมันลกให้งูมันอยู่ด้วยให้ใครมันอยู่ถ้าใไขจิตบริสุทธิ์เนี่ยงูที่นี่มีนะแต่มันไม่เคยกัดใครนะเขาก็อยู่ของเขาแต่วิชาการเนี่ยเอาเพะะเ พ, ะ, เ พ, ะ, เ พ, ะ, เพะให้มีระเบียบเพราะนับง่ายๆควบคุมง่ายไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆตัดทิ้งหมดเพราะมันจีตทางฉันจะปลูกป่า มันตัดป่าทิ้งมันจะปลดกปูกป่าแล้วไม่ใช่ป่าจริงปลูกเพื่อจะตัดอีกในสมองนี่มีแต่เรื่องผลประโยชน์นี่เวทเสียหมดนะที่เล่าให้ฟังนี่พราะกูอุตสาถอยมาอยู่ในถ้าในเราเป็นคนไทยนี้อยู่ในหลืบนะข้ามไปนู้นก็ฝั่งลาวนะลงไปนี้ก็ตกเขื่อนความเจริญทางวัตถุก็เข้ามาอะไร แปลกมากนะถอยมาคิดว่าที่นี่ปลอดภัยแล้วนี่ยี่สิบหกปียี่สบ็ดปีเขาจะเปิดประตูอาเซียนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมหนีพ้นั้มมันไม่เที่ยงจริงๆนะนี่ลหละไม่มีผู้ใดหนีกรรมตัวเองพน้นหนีมันวันนี้ก็ต้องใช้ในวันหน้าใช้ในชาติหน้าจ่ายมันให้หมดแต่สำหรับพวกครูอะไรจะเกิดก็เกิด มันกระทบมันไม่กระเทือนแต่พวกเราที่ยังอ่อนแออยู่ต้องตื่นขึ้นมานะสังคมต่อไปนี่ยิ่งอยู่ยากขึ้นการแข่งขันยื้อแย้งมันจะมากขึ้นเพราะทรัพยากรของโลกมันล่อยหลอลงแต่ผู้คนมันมากขึ้นวิทยาศาสตร์ทําให้มันรอดชีวิตมากขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ตายกับอะไรดูไหมโดยเฉพาะเยาวชนฟังนะตอนนี้เมืองไทยเราเนี่ยโรคที่ดุนแรงที่สุดไม่ใช่โรคเอดโรค โรคมะเร็งนะโรคหัวใจนะโรคญี่ปุ่นโยกซูซูกิฮอนดา้าตายตายตายตา ย, ตา ย, ตายโคมตายไม่มีวัคซีนป้องกันบอกอาจารย์อ้อยช่วยทำวัคซีนให้พ่กครูหน่อยหนึ่งฉีดปุ๊บมอเตอร์ไซ์มันไม่ลมเราตามวัตถุนิยมไม่ทันเขามีมอเตอร์ไซด์เอาไว้แทนการเดินมันเอาไปซิ่ง ไอ้นี้ไม่มีวัคซีนป้องกันต้องบริโภคพุทธโอสถธรรมโอสถสถานเดียวแต่ตอนนี้ทำง่ายไ้ยไม่ง่ายการศึกษาเนื่องจากแข่งกันเจดดหมวดวิชายังเพิ่มมาอีกเป็นสิเ ว, วิชาอะไรก็ไม่รู้เอาศาสนาไปซ่อนอยู่ในวิชาสังคมนิดหนึ่งแค่ไปท่องจำให้มันสอบผ่านเฉยๆน้านอ ย, ยอมแพ้ไฟนะเขาตั้งชื่อดีนะ สมัยก่อนความรู้คู่คุณธรรมนะเคยมีรองประลัดกระทรวงศึกษานี่ด็อกเตอร์ไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านคณะใหญ่มาเยี่ยมพรกครูมาเลือกสรรบุคคลดีเด่นไปรับรางวัลพรกครูบอกขอโทษนะท่านหลงทางมาแล้วที่นี่ไม่มีคนดีสักคนหนึ่งเขางงที่นี่มีคนพยายามทำดีเฉยๆคนดีไม่มีแล้วก็นั่งแลกเปลี่ยนกัน พัวกวกระทรวงศึกษาบอกให้ความรู้คู่ ค, คุณธรรมมีวิชาไหนบ้างสอนให้มันมีคุณธรรมไม่มีเจ็ดดหมวดวิชามีแต่ท่องวิชาการนั่นนัแหละไปประเมินเข้ามหาวิเลยมันก็ไม่ประเมินคุณธรรมปากว่าตาขยิบพวกวักกูถามกขาเลยนะลองบรรจงกระทรวงนะแล้วคณะกรรมการมูลนิธีเขานี่เป็นผู้อวุโสกันทั้งนั้นเขาตะลึงเกิดมาไม่เคยได้ยินบอกรู้จักรถไฟไหม รถไฟมันวิ่งมันลางคู่ใช่ไหมขณะมันวิ่งมีคู่ลางคู่ทําไมยังมันยังตกลางอันนี้เจ็ดแบบหมวดวิชามีแต่ความรู้กิเลสมันชอบความรู้อยู่แล้วมันไม่ชอบคุณธรรมอยู่แล้วมันก็ตกลางสิเพราะมันไม่เท่ากันน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟทีนี้เขาก็ถางพระครูแล้วพระครูคิดว่าจะทํำยังไงพรอครูบอกความรู้ซึ่งมีคุณธรรมมันแยกไม่ได้ทุกความรู้จะให้เด็กเนี่ยต้องมีคุณธรรมหมด ความรู้ซึ่งมีคุณธรรมความรู้ใด ไ, ไม่มีคุณธรรมอย่าไปให้มันเรียนเดี๋ยวมันจะเอาอาวุธตรงนี้เนี่ยไปสร้างกรรมเบียดเบียนคนอื่นและเบียดเบียนตัวเองเห็นไหมเรียนจนเเดี่ยงพ่อครกูก็ถามเขาอีกไหนไหนมาแย่ยงพ่อครูแล้วพ่อครูเป็นชาวป่าพ่อครูไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่รู้เรื่องที่บังคับให้เด็กเคารพธงชาติทุกวันนี้ทําไมตอนเช้าประเทศไทยรวมรถเนื้อชาติกไทยนัยยะคืออะไรเขาบอกว่า เพื่อเตือนสติเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป้าหมายสูงทุาใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เราเอาชาติไปจำนองเพื่อรักษาทุนนิยมทําไมเราไปหลงวัตถุนิยมทิ้งศาสนาเลยเราบ้าประชาธิที่ประายแบบฝรั่งเลือกตั้งทะลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองจนลืมพระมหากษัตริย์สังคมปากว่าตาขยิบไม่สําเร็จเราก้าเปลี่ยนธงชาติใหม่ไหมให้เปลี่ยนว่าเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมือง คุณตั้งโจทย์แบบนึงคุณทำแบบนึงนะ่งมันไม่สำเร็จหรอกเป็นสังคมปากว่าตาขยิบมีแต่องความรู้ไปเรียนแบบฝรั่งเขามาขาดปัญญานี่แหละเล่าให้ฟังนะมีอีกหลายๆเคลดถามเขาก็ตอบไม่ได้โอ้ชอบใจมากเชิญพ่อครูไปพูดที่กระทรวงพอไปปุ๊บการเมืองก็เปลี่ยนใหม่ เอาผูที่บดีมาอุ้ยชอบชอบกลับไปก็รอเกษียณไม่กล้าทำอะไรเลยมันมืดมนเด็กเป็นเหยื่อพ่อครูไม่โทษเด็กๆนะถ้าจะต้องโทษโทษผู้ใหญ่เราสร้างสังคมเร็วๆให้เขาอยู่พราะครูเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งพระครูก็ทำตอบโจทย์ตัวเองได้พระครูทำที่พระครูทำได้ไม่ใช่มพู ด, พ ด, พดไม่เคยทำอะไรกันเลย นะพ่อครูเคยพูดแรงๆว่าอย่ารักชาติแต่วาจารมพ่อคูทำมาก่อนแล้วค่อยพูดบ้างตอนนี้นะเพราะว่าเห็นขึ้นมันไปไม่รอดแล้วนะไม่รู้เล่นเกมอะไรกันสนุกสนานเนาะนะค่อยพูดกันช่วงหลังนี้นะพูดบ้างก็ในฐานะที่เคยเป็นอดีตไปยุ่งกับการเมืองเขา ในชีวิตพ่อครูเนี่ยพ่อครูศึกษาการเมืองโลกพอสมควรมีคนเดียวที่พ่อครูประทับใจนะอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีคนดีอายุสั้นหมดเขาหาเสียงนี่เขาชี้หน้าประชาชนเขาเนี่ยถ่ายทอดไปทั่วโลกคนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านทั่วโลกอย่าถามว่าประเทศชาติจะทำอะไรให้กับเราบ้าง ถามว่าเราจะทำอะไรกับประเทศชาติบ้างบ้านเราไม่แต่ไปแจกไปแจกแบบมือขอแล้วเมื่อไรมันจะแข็งแรงเห็นไหมทุกคนเอาตัวรอดทุกคนไม่มีชาติเอาละ่ะเขาแบ่งชาติไงเราเกิดมาอยู่นี่เขาก็เราเป็นคนไทยใช่ไมโอก็เป็นคนไทยล้วก็มีหน้าที่ดูแลชาติไทย แต่ไม่นะเทกระจัดหมดเลยวันนั้นทเอาหมดเลยวิ่งไปตามคนหลังก็ไม่เหมือนเขาอีกอยากเหมือนเขาแต่ก็ไม่เหมือนเขาเด็กไทยนี่ลูกผสมนะข้างนอกศสรลีละเป็นไตแต่ข้างในลูกครึ่งครึ่งคนครึ่งผีครึ่งควายครึ่งหนูคอคนไงเห็นไหมอ้างสิทธิเสรีภาพ แม่อย่าพูดมากนะฉันโตแล้วเป็นสิทธิฉันจะไปเที่ยวผับไปสิกลับมาแม่ของเงินหน่อยหนึ่งมันเรียกร้องสิทธิแบบฝรั่งแต่มันของเงินแบบคนไทยยไงฉันมีหน้าที่เรียนหนังสืออย่างเดียวทาอะไรไม่เป็นแนล้วจะอะไรไปสู้เขาพอจบมาต้องไปฝึกงานก่อนเมืองนอกเขาไม่ใช่อย่างนี้นะหลายครอบครัวนี่ พ่อรวยแค่ไหนก็ช่างไม่มีใครรับมรดกนะต้องมอบให้รัฐบาลสิบแปปีก็บอกบายๆพ่อเขาออกไปต่อสู้เองเขาเรียนมาหาลัยเขาก็ทํางานไปด้วยจบมาปุ๊บเขาก็ทํางานได้เลยไม่ต้องไปฝึกงานบ้านเราเนี่ยเรียนอย่างเดียวทํางานก็ไม่เป็นสักผ้าก็ไม่เป็นหุงหาอาหารก็ไม่เป็นทําความสะอาดไม่เป็นคุยกับพ่อแม่ก็ไม่เป็นอีก สมัยเด็กๆ เ, เล่นกันอยู่ทะเลากันพ่อแม่บอกหยุดลูกหยุดลูกพราะเขารักพ่อแม่เขาก็หยุดเห็นไหมทุกวันนี้ชั้นเรียนชั้นสูงพ่อแม่พูดคํานึงมันเถียงมาสิบคายิ่งเรียนก็ยิ่งพูดกันไม่รู้เรื่องอันนี้เรียกว่ายิ่งเรียนยิ่งโง่ได้ไหมตอนนี้สังคมเป็นอย่างนี้ไงธรรมนาสมัยก่อนเราเราไม่รู้เราเล่นกันเนาะออพ่อแม่เรียกเราก็หยุดเนะ่เพราะว่า เราลักพ่อแม่แต่ยิ่งเรียนปุ๊บเราต้องไม่เล่นกันต้องไม่ต้องให้พ่อแม่พูดเลยใช่ไหมถ้าเรายิ่งเรียนยิ่งรู้ใช่ไหมอันนี้ยิ่งเรียนยิ่งเถียงกันพูดไม่รู้เรื่องฉันถูกมันผิดอยู่ตรงนั้นแหละนี่แหละตอนนี้เด็กไทยนยี่ลูกครึ่งลูกผีลูกคนพราครูไม่รู้ว่าใครคิดสนุกอะไรเนี่ยคาว่าคอคนเนี่ยคือคอครักครังเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคอควายนะคนผสมระหว่างควายกับหนู เรียกร้องสิทธิแต่ไม่จะลืมหน้าที่อันตรายมากเป็นสังคมที่อันตรายมากเมืองนอกเนี่ยเขาฝึกให้รู้หน้าที่ก่อนต้องรู้หน้าที่ก่อนแล้วค่อยรู้เรื่องสิทธิแล้วไม่ใช่สิทธิเพื่อเราเองนะสิทธิเพื่อสังคมพ่อครูเองเนี่ยตอนไปอยู่ใหม่ๆไม่อยากอยู่หรอกกะว่าไปเยี่ยมแม่กับน้นองๆแค่เดือนหนึ่งกลับมาแล้วเพื่อแม่ ทิ้งทุกอย่างความดีความชั่วในเมืองไทยไป น, นั่งนับหนึ่งใหม่เป็นชีวิตที่มันไม่ชอบเลยไปบ่อยๆไม่กล้าไม่เคยชอบไม่ใช่เขาไม่ดีนะมันเหมือนหุ่นยนต์นะบังเอิญเราขยายร้านอาหารใหม่ตอนนั้นคู่ขับรถไปบังเอิญยางมันรั่วพอดีเราก็ลงมาถอดยางอยู่ บังเอิญมันมันเที่ยงพอดีนะไอ้ฝรั่งบริษัทมันอยู่ข้างบนมันที่จอดรถของมันมันออกมาไม่ได้แล้วก็บอกยางระเบิดยางอะไรมันบอกว่ายางระเบิดเป็นปัญหาของเธอปัญหาของฉันคือฉันออกไม่ได้มันบอกเก็ตเอาแค้์ไอ้ฝรั่งคนนั้นอยู่สามปีนะไอ้นี่ไม่มีน้ำใจมึงไม่มีน้ำใจครมันเป็นลูกค้าเราลูกค้าร้านอาหารเราเนอะไม่มีน้ำใจ คนไทยเราชอบอ้างน้ําใจหลังจากเราซึมซับสังคมเขาแล้วเนี่ยโอ้พราะูด่าตัวเองบัตรซกเราเป็นนักการเมืองนะเราไม่รู้เลยประชาธิปไตใจเป็นยังไงมักง่ายแบบไทยๆอ้างน้ําใจไม่รู้สิทธิคนอื่นเวลาเขาเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเขาไม่เวลาพักเที่ยงปุ๊บเนี่ยหนึ่งนาทีเขาก็มีความสําคัญตอนนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราขอโทษเขาอย่างเดียวรีบเพนไหนเขาออกยังไปอ้างน้ําใจอยู่ ประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐธรรมนูญเขียนว่าอย่างไรอยู่ที่สำนึกคนในชาติเป็นอย่างไรเราเป็นไปไม่ได้หรอกแก้รัฐมนูลอีกร้อยฉบับก็เป็นไปไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกันหนังสือว่าอย่างไงแล้วทุกคนก็ว่านอนสอนง่ายมีระเบียบวินยัยไม่ใช่ยิ่งพวกเราเนี่ยมีเชื้อสีถนนชัยชอบหลอดช่องศาสนาเราตอนนี้ก็เลี่ยงบาลี มันอยู่ที่สํานึกของคนไม่อยู่ที่ว่าคุณจะเขียนยังไงเราไปไม่รอดอันนี้ชี้ให้ดูทุกอย่างคือธรรมะคือความจริงจึ่เกิดขึ้นในยุคเราทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนสังคมไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวเองให้รู้เท่าทันสังคมไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะพวกเราถูกดาวนะคนที่เห็นแก่ตัวหนีมาอยู่ในป่าเราไม่ได้มาเสพสุขนะที่นี่อะไรก็ไม่มีนะเห็นไหม เราถอยมาตั้งหลักเพื่อเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ชีวิตต้องสู้ไม่ได้เกิดมาเพื่อสู้สร้างวัตถุสร้างอนาคตนะเราต้องมาสู้กับกิเลสตัณหาอุปท า, านสู้กับกระแสกรรมที่เราเคยสร้างมาเนี่ยเราเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เราถอ้อถอยนะเราถอยมาตั้งหลักเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เราหนีมันมา